Allahu um ma salli ala Muhammad as-salamu alaykum رحمة الله وبركاته ครับผมขอชุกรตอนอที่ให้ผมได้มาทำหน้าที่ตรงนี้อีกครั้งนะครับผมแล้วข อ, ข อ, ข, อขอบขอบขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสนะครับผมให้พวกเราได้มาหัดฝึกสอนนะครับอิชาลเหรอก็หลักสูตรของเราก็เป็นหลักสูตรสั้นๆในการสอนหัดอ่านอัลกุรานในยุสอัลมานะครับผม เราจะใช้วิธีการสอนเรียงลำดับตามหัวเล็กก็คือเรียงจากอันฟัติฮะอันนัสอันฟาลักไปจนถึงอันนบะนะครับผมก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับอิชาร์ลวันนี้เรามาขอเริ่มต้นที่สเราะอันฟาติฮะนะครับเรามาเริ่มที่อายะแรกนะครับผมก่อนที่เข้าอายะแรกเริ่มจากขอความคุ้มครองต่อลา ก, ก่อนนะครับผม อาอูดุบิลลอฮิมินัชชัยตานิรจีมตัวอลีฟและตัวไอยนเป็นอ่านก็จริงแต่ต่างกันด้วยน้ำหนักอาเอาอาเอาพูดตัวไอยนต้องรู้สึกถูกบีบคอเอาอ่เอาดุบิลลอฮิมินัชชัยตานิรจีม ถ้าขอให้อล้อคุ้มครองให้พ้นจากชัยตอนนะครับชัยตอนมารร้ายบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหีมบิสบิสตัวซีนนะครับบิสบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรหีมตัวรอสองตัวออกเสียงต่างกันรอแรก รออาฮารออรอที่สองรออารอรอรอบิสมิลลาฮิรบิสมิลลาฮิร r a h m r r a ด้วยพระนามของอัลลฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปรานีเสมอนะครับ้อท่อไปอะฮัมดุลิลาฮิรบบินอาละมิน นี่ตัวฮาเล็กฮาเล็กต้องมีลมมาก่อนอักษรจะเกิดอัลฮัมอฮดุลิลลาฮิรับบินอาลามีน น, นี่ตัวไอนอีกครั้งหนึ่งไอพูดตัวไอน์ต้องรู้สึ ก, ถ, กถูกบีบที่ลําคออารามี น, มนถ้าพูดแล้วสบายไม่ใช่ตัวไอน์อาลามีนองี้สบายไม่ใช่อาลามีน อ่าโอเคลำบากละวบรรดาการสรรเสริญเป็นของอเลผู้ทรงอภิบาลแห่งสากรโลกนะครับผมอย้ยต่อไปอเลมานิรอหิ ม, ห ม, มเช่นกันนะครับคล้ายๆกันร้อกับร้อร้อกับร้ออเมานิรอหิม ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอนะครับมาลิกิเยวมิดดี น, ดดนเน้นที่ตัวกราฟแล้วกันตัวกราฟเป็นอักษรพจนลมค่ะๆไม่ใช่กาแต่เป็นค่ะมาลิกิเยลมิดดี น, ดดนผู้ทรงเป็นใหญ่ในวันตอบแทนวันแห่งการพิพากษานะครับผม อียาแกนะบุดัวอียาแกนะัสตออินอียาแกนะบุดวอียาแกนัสตอินอ่าณคำะไอียาอยากนูนอ่าอนณอ่าห้ามพูดณนะนี้สบายไม่ใช่ตัวอินถ้าพูดตัวอินต้องลำบาก นะักอ่อียาแก่นะบูดูวะอิยาแก้นัสตาอินเฉพาะพระ อ, องค์เท่านั้นที่เราพักดีและเฉพาะพระ อ, องค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนะครับอีดีนอสซิรอก้อนมุสตากี ม, อ, มตต อ, อัลิฟอีฮา อีไล่ลมขึ้นเพดานไปอีไม่ใช่อีไม่ใช่อีหรืออีก็ไม่ใช่แต่เป็นอีอ่าเป็นการกระทุ้งเสียงไล่ลมขึ้นเพดานไปอย่าให้ออกปากอีอ่านะครับอย่าเป็นอีนะเป็นการกระทุ้งเสียงอีอ่าอีดินเซารอตัลมุสตาเกีม อ่าเรามาเรามาคุยกันที่ตัวซอสแล้วกันซอฟันบนแลฟันล่างกัดกันแล้วพูดซอสโซซอสหอปากด้วยฟันบนฟันล่างกัดแล้วพูดซอโซซอซอก ซ, ซ, ซิรอตลต์มุสตาคีมโปรดทรงนำพวกเราไปสู่ทางเที่ยงตรงนะครับ มาอายะต่อไปนะครับตัวซอบเหมือนกันซิรอต้นและดีน่าอันอัมจาอัลัยฮิ ม, าา ม, ฮมตัวซอบตัวดานตัวซอบมีลมตัวดานไม่มีลมซิรอต้นและดีน่าอันอัมจาอัลัยฮิม غير المغضوب عليهم ولا الضالين ตัวรนตัวเรนไม่ใช่ตัวเกนไม่ใช่ตัวเคนไม่ใช่ตัวเงนแต่มันคือตัวรนวิธีการออกเสียงทาแบบนี้ตื่นเช้ามา ล้วกำลังอมน้ำไว้ในปากล้วกำลังก้วคอเออเออแต่เราก้วสั้นๆเรนอ่ากำลังก้วคอแต่ก้วสั้นๆเรนไม่ต้องยาวเรนโอเคป่ะเอาสั้นๆเรนอ่าเราสลักใส่สละกไรริ่นมาดูบีไกรรินมาดูบีอเลหิมวัลดอลีนไิมล ทางที่เราขอเมื่อกี้ขยายความก็คือทางของบรรดาที่พระองค์ทรงประธานความปวดตาให้เขาไม่ใช่ทางของผู้ที่ถูกกิ้วก็คือพวกเยโฮตและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิดก็คือพวกนสรอหรือพวกคริสเตียนในปัจจุบันนะครับผมส่วนส่วนท่อนข้างล่างเป็นหัดดิตที่เอามาฝากนะครับเป็นเป็นฮัดดิตที่มาขยายความให้กับให้กับอันฟาติฮะ อ, อีกอีกต่อห น, นึ่งครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ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 ท่านอิหม่ามนะครับอับดุลกอรีท่านประธานบุลณิธิสมาคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิม่าที่รักทั้งหลายครับพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และเลา ขอบคุณอัลลอ์เนี่ยให้ว่าอย่างนี้ให้กล่าวเป็นภาษาอาหรับว่าอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาแปลว่าการสรรเสริญทั้งปวงเนี่ยเป็นของอัลลอ์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สับคำนี้แหละเป็นสับที่อัลลอ์บอกกับท่านนาบีให้ท่านนาบีพูดคำนี้ และนบีก็ใช้คำนี้เป็นการขอบคุณอัลล์และนบีก็บอกสอนให้บรรดาสัฮาบะของท่านนาบีเนี่ยให้ขอบคุณอัลลอ์ให้กล่าวว่าอัลหัมดุลิละเพื่อเป็นการบอกว่าการสรนเสริญทั้งปวงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาแล้วพี่น้องครับเราอ่านกุรานสูร อัลมุลกนะครับอัลมุลกเนี่ยท่านนาบีสอนบอกว่าใครที่อ่านสวระอนนี้มีทั้งหมดกี่อายะนะสามสิบอายะนะครับมีทั้งหมดสามสิบอายะคิดว่าพี่น้องคงท่องจำกันหมดแล้วนะจำหรื อ, อยังจำแล้วห้ัมดูลิล ถ้าไม่จำก็เปิดเปิดเปิดซีดีอ่านไปอ่านมาหรือถ้ามีลูกก็ให้ลูกอ่านไปถ้ามีน้องก็ให้น้องอ่านแล้วก็นั่งฟังไปน้องนั่งในวิธีแก้วิธีแก้ที่ดีที่สุดท่านน บ, บีสอนว่าใครที่อ่านสุราตาบารอกันลยีบียาดีฮิลมุลกุวะวะอัลกุลลิชายอินกอดีรน บ, บีสัญญาอาไว้ว่า อัลลอฮ์จะช اف า, าเขาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาจะอนุเคราะห์คนที่อ่านกุรุอ่านสุร้อนี้นะครับพี่น้องแล้วก็จะอภัยโทษให้เขาอัลลอฮ์พี่น้องนี่เมื่อสามสี่วันที่แล้วผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยในวันเกิดของของพระเทพใช่ไหมให้คนอภัยโทษ ติติดคุกเนี่ยประมาณส5 0 0 0คนโอ้ทุกคนดีใจหมดนะ่ะเพราะการอภัยโทษฉะนั้นเราต้องการการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เราต้องการพี่น้องทุกคนจะเป็นคนดีขนาดไห น, นก็ตามยังต้องการการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อยู่ยิ่งคนที่ห่างศาสนาก็แน่นอนถ้าฟังศาสนาแล้วก็มีความกลัว เขอยากจะได้รับการอภายาโทษจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาล้พี่น้องการอภยโทษที่ได้รับจากอัลลอฮ์นั้นน่ะ น, นั่นหมายถึงเรานั้นเป็นชาวสวรรค์นะเพราะฉะนั้นให้เราอ่านกุราอัานสุรนี้เยอะๆพี่น้องพร้อมกับรู้ความหมายเมื่อก่อนนี้เราอ่านอ่านแล้วก็ฟังว่าตัวซีนออกชัดไหมตัวซอดออกชัดไหม ตัวบอสเนี่ยว่นเราบอสจะมีน้ำลายออกมานิดๆโอ้โหสอนกันทำดีหมดแลยพี่น้องทีนี้อา่านจนกระทั่งไม่รู้ความหมายเราก็ผ่านมาแล้วนั้นวันนี้เราอาร่านกลกุรอานอยากจะให้รู้ความหมายอิม า, านศรัทธาหัวใจเราจะได้กลัวอัลลอสุบฮานะวาตาละ เพราะเป้าหมายที่เอาหลอประทานอ่นัลกุรอานลงมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้อ่านอย่างเดียวนะพี่น้องอ่านมีผลบุญรู้ความหมายแล้วก็เดินตามอัลกรุรอานเอาหลอดพี่น้องพอเดินตามบ้านคัมภรอัลกรุรอานแล้วเนี่ยกิริยามารยาตนิสยัยความคิดของเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่น้องเดินตามกรุรอานน บ, บีสอนบอกว่าใครที่อ่านคัมอานนะครับสุรนี้เนี่ยพี่น้องก่อนนอนทุกคืนยิ่งดีใหญ่นะ ก่อนนอนทุกคืนให้ อ, าอ่านสุรนี้ข้อสุรนี้นะ่ะสอนให้นึกถึงความตายสอนให้นึกถึงความตายพี่น้องจากนั้นถ้าหากเราเราอ่านคุรานแล้วก็นึกถึงความตายมันจะทําให้เราพี่พี่น้องครับจะได้อะไรเนะ่ยเลิกหรือว่าออกห่างจากเรื่องที่มันเป็นความผิดทั้งหลายเพราะบางทีเราเนี่ยใครเตือนไม่ได้ลมขึ้น ยิ่งแฟนมาเตือนเนี่ยหึมไม่น่าจะเตือนฉันเนี่ยอาเล็มอยู่แล้วพี่น้องใครก็ตามพี่น้องถ้าถูกเตือนเนี่ยไม่ค่อยพอใจลมมันจะขึ้นแต่เพื่อไม่ให้มีการเตือนกันก็คืออ่านกุรานนี่เอาล่อเตือนเรานนพี่น้องฉะนั้นคนที่นึกถึงความตายบ่อยๆนะ่ะดีไหมดีนะครับเขาจะได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่นะครับ นบีสอนดีนะครับคนที่อ่านคุรานสุรานี้เนี่ยอัลลอฮ์จะปกป้องเขาไม่ให้ถูกลงโทษที่ไหนที่อาดาบุลกอบรีการลงโทษที่สุสานดีไหมพี่น้องดีครับอัลลอฮ์พี่น้องครับชีวิตหลังตายเป็นชีวิตที่อันตรายนะพี่น้องนะอันตรายสุดๆพี่น้องพ่ออยู่คนเดียวอยู่บนดุนยาเนี้ถ้ามีปัญหามีคนช่วยเยอะพี่น้อง มีพ่อช่วยแม่ช่วยพี่สาวพี่ชายเพื่อนบ้านช่วยกันตลอดพี่น้องแต่นอนอยู่ในสุสานคนเดียวใครช่วยละ่ะอ๋อพี่น้องช่วยไม่ได้แล้วก็พี่น้องเพราะฉะนั้นอ่านคุณอ่า น, านสุรนี้เยอะๆแต่มีข้อแม่นะ่ะคนที่อ่านสุรนี้มีข้อแม้อย่างหนึ่งต้องประคองตนเองอต้องเข่งขัดศาสนาต้องนอามาดไม่ขาด ต้องทำดีกับพ่อแม่พี่น้องต้องเป็นคนที่แข่งคัดแล้วก็ประคองตนเองอย่าให้ทำบาปนะครับพี่น้องวันนี้มาอ่านคูอ่านสุรตตาบารอกันลยีหรืออัลมุลอยายะที่ยี่สบ็นะครับพี่น้องนะลองอ่านนาะนๆะพี่น้องอัลลอฮบิลเลาะหฮิมินะชัยอุตนิฟโรจี ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งนี่อัลลอ์สั่งนะคนจะอ่านคุรุอ่านทุกคนต้องอ่านอามุบิลล่ะพี่น้องครับชัยตอนมันสอนอย่างนี้ชัยตอนมันกระซิบกระซาบในหัวใจเรานะบอกว่ามันไม่อยากให้เราเป็นมุสลิมหรอกแต่นี่ในเมื่อมันยุเราให้เลิกให้ทิ้งอิสลามไม่ได้ เราก็เป็นมุสลิมอยู่วันนี้ใช้ตอนไม่พอใจใช้ตอนมันก็ยุต่ออีกเป็นคนแขกอย่างเดียวพอนะอย่าเรียนกรุรอานมันก็ไม่พอใจไม่เห็นเรานั่งอ่านกรุรานอยู่วันนี้ใช้ตอนพอใจไหมไม่พอใจเลยพี่น้องมันเห็นเรานั่งอ่านกรุรานเนี่ยซูราะตาบาร์กันละดีบียาดีฮินมุลเกียงมันไม่พอใจพี่น้องแล้วมันก็ยุต่อ เองอ่านกุรอ่านอย่างเดียวนะแล้วก็อยารู้ความหมายเอา้าเราก็ดันมารู้ความหมายอีกวันนี้มันก็ไม่พอใจอีกมันก็สอนต่อมันก็ยุโยงต่ออ่านกุรอ่านรู้ความหมายนำมาไปปฏิบัติคนเดียวนะอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะแอบทาคนเดียวอย่าเล่าให้ลูกฟังอย่าเล่าให้ภรรยาฟังอย่าเล่าให้สามีฟังอย่าเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่า ทำคนเดียวแอบทำคนเดียวนี่มันยุ่นะพี่น้องเอาจากนี้เราฟังแล้วพี่น้องนํามาไปปฏิบัติแล้วหน้าที่เราก็คือต้องเอาไปบอกคนอื่นด้วยได้ของดีๆจากอ้ายคุรานที่เราอ่านวันนี้พี่น้องต้องไปบอกคนอื่นพอบอกภาพเนี่ยชายตอนมันเสียใจเราชนะชายตอนแล้วนะครับพี่น้องเอามาดูกุรานอายาที่ยี่สินะครับ อัลลอฮฺผู้ทรงประทานพรให้แก่ผู้ที่ได้รับพรนั้นแต่ไม่ได้ประทานพรให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับพรนั้น จูฟีอุตุวานฟุรพระหัตถ์้องอัลลอฮฺอกุรอานเรามาดูศัพทิละคำพี่น้องอัมมันแปลว่าผู้ใดเล่าใครใครผู้ใดอัลลอฮฺถามเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นคําถามนะอัมมันใครใครผู้ใดใครฮาดัลลาดียอดูคุกุมให้เครื่องยังชีพ แกสูดเจ้าเนี่ยเครื่องยังชีพริสกีที่ท่านพี่น้องได้รับนี่พี่น้องใครให้อลลถามใครให้ใครประทานให้คำว่าริสกีพี่น้องอย่าตีความหมายเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วนี่ไม่ใช่ที่อยู่ในขวดอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่พี่น้องเครื่องยังชีพทั้งหมดเนี่ยออกซิเจนที่ท่านพี่น้องหายใจผมหายใจเนี่ยไม่ได้เสียตังสักนิดหนึ่งนี่เป็นริสกี เนี่ยนั่งรถมาเนี่ยแผ่นดินเนี่ยถนนเนี่ยพี่น้องแผ่นดินของใครของอัลลอฮ์รัฐบาลยังเก็บค่านู่นค่านี้ค่าทางตรงทางด่ว น, น, นเก็บหมดแต่อัลลอฮ์ไม่เก็บอะไรเลยเป็นริสกีครับพี่น้องหูตาจมูกพี่น้องเคยเคยขอดูอาต่ออัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์จะอยากได้ลูกตาไม่เคยขอหูเคยขอไหมไม่เคย อัลลอฮ์ให้มาฟรีๆเป็นี่เป็นรีสกีที่อัลลอ์ให้มาพี่น้องเรามาจะลงทุนสักนิดหนึ่งพี่น้องอัลลอ์ให้มาฟรีเป็นริสกีที่เราไม่ได้ขอพี่น้องเอาบ้านที่ท่านอยู่เป็นริสกี้ไหมเป็นครับที่ดินที่ท่านมีอยู่หนึ่งร้อยตารางวาลราโฉนดในเชื่อท่านเป็นริสกีที่อัลลอ์ให้มาแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีสามีเป็นริสกีทั้งหมด knowledge นี่ความรู้ที่ท่านพี่น้องมีอยู่วันนี้อ่านหนังสือไทยออกเป็นริสกีครับวันนี้ยังอ่านกุรานออกเป็นภาษาอัลลับเป็นริสกีครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมผมป่วยพี่น้องไปอยู่โรงพยาบาลสองคืนกับสามวันผมมองเป็นริสกีพี่น้องเป็นเครื่องยังชีพที่เอารอให้มาทําให้ผมเพิ่มอ إ ي ่านขึ้นเยอะ ผมมองอย่างนี้ครับสองกล้องที่ลำไส้เพิ่งเห็นลำไส้ตัวเองอ๋อเป็นอย่างนี้เองมองดูเพลินสองครั้งแรกเห็นแต่เลือดโอโลนี่เลือดสองครั้งที่สองสะอาดเห็นไส้พุงตัวเองอัอทำอยุ่หรละใครทาผมนึกถามตัวใครทําเนี่ยอ๋อทาเป็นเลสกีครับพี่น้องพอเราเข้าใจอิมาศาสนา เป็นริสกีเป็นเครื่องยังชีพบชันนิดหนึ่งพี่น้องเอาลอพี่น้องครับทั้งหมดเป็นรีสกี้นี่อยู่รอบร อ, รอตัวเป็นรีสกีหมดเลยพี่น้องเอาลอถามอัมมันฮาด ล, ละดิยัซูโกกุมใครเป็นผู้ประทานเครื่องยังชีพ้ไพกับพวกท่านเอาอายาต่อมาอินอัมสากาอินอัมสากาท่าหากถ้าหาก ยับยั้งไม่ให้ริสกีกับท่านเนี่ยใครใครใครถ้าอาลัลลอฮ์จะยับยั้งเอาไว้เนี่ยให้ได้ไหมริสกีมาถึงเราไหมอลัลลอฮ์ถามนายกะฟีกุรอานว่านี่เครื่องยังชีพที่อลัลลอฮ์ให้มาเนี่ยถ้าอาลัลลอฮ์จะยับยั้งไม่ให้ถึงเราเนี่ยอลัลลอฮ์ทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้พี่น้องสังเกตง่ายๆ ระหว่างที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลผมสองวันกลับมาอยู่บ้านอีกห้าวันพี่น้องแค่หมอห้ามอย่ากินของแข็งๆนั่นแหละพี่น้องเอาล้อมาจากอาลัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วก็ไม่กล้าด้วยนะพอหมอสั่งนี่อลัลลอฮ์ไม่กล้าเลยไมอย่อย่าทานของอย่างนี้นะอย่าทานอย่างนี้นะอย่าทานอย่างนี้นะไอ้นีมน่มันอันตรายนะสักสองสามอาทิตย์ กลัวที่อัลลอฮ์สั่งไม่กลัวที่หมอสั่งกลัวอัลลอฮ์สั่งให้นมัสชัเฉยอัลลอฮ์สั่งให้ยิ้มเฉยแต่ถ้าหมอสั่งนี่อัลลอฮ์ศรัทธาเลยเชื่อเลยพี่น้องครับถ้าหากอัลลอฮ์จะยับยั้งริสกีไม่ให้มาถึงเรานี่ยนะใครจะให้รีสกีอันนี้มาถึงเราได้พี่น้องครับดูอ่านที่เราอ่านใน ในในนาเนี่ยอัลลอฮุมะลามานีอัลิมาหลังจะให้สลาม um oh แล้วสิอัลลอฮุมะลามานีอัลิมาอัตไยดาเวลามุอะตยาลิมามะนตเราอ่านกันมาสามสิปีแล้วถามว่าแปลว่าอะไรไม่รู้สนใจกานแปลไหมเฉยเฉยนึกว่าอ่าน เป็นคาถาไม่ใช่คาถาพี่น้องนั่นแหละเป็นดวงอสอนใจเราอ้าผมแปลให้ฟัง Allah um ma, อัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์จะมาเนียอัลลอฮุมมาลามาเนียลีมาอัตอิดะอัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ยับยัง่งถ้าหากเขาจะให้ท่านถ้าอัลลอฮ์อนุมัต ให้คนที่ให้ท่านนี่พี่น้องยังไงยังไงก็ต้องถึงท่านถ้าอัลลอฮ์ไม่ยับยั้งเอาไว้อัลลฮุมมาลามาลีมาออยถ้าอัลลอ์ให้พี่น้องไม่มีใครมายับยั้งได้อานี่อัลลอ์ให้ออกให้ออกซิเจนมาใครยับยั้งได้อัลล์ให้โนเลความรู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครมายับยั้งได้ไหมไม่ได้พี่น้องบ้านอัลล์ให้หลังหนึ่งใครมายับยั้งได้ไหม อัลลอฮ์ให้ภรรยามาคนหนึ่งให้สามีมาคนหนึ ma na, ่งให้ลูกมาห้าคนใครยับยั้งได้เมื่ออัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมายับยั้งสอนเรื่องอกคดีได้หมดเลยไปเนองอัลลอฮุมมาลามานียลิมาอัตตัยตะไม่มีใครมายับยั้งได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้วะลามุอติยาลิมามานาตะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะใครให้ก็ไม่ได้ อัลลอฮฺบอกเอ็งไม่ได้เอ็งไม่ได้ดิสกีนี้อลัลลอฮฺให้ผ่านหมอเรียบร้อยเลยพี่น้องอลัลลอฮฺให้ผ่านหมอให้หมอพูดเนี่ยอาหารอย่างนี้เอ็งกินไม่ได้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดอัลลอฮฺว่านไม่ให้ไม่ให้ท่านเดินไม่ให้เดินพี่น้องจบไหม จะเอาอะไรมาก็เดินไม่ได้พี่น้องจะใส่ขาทงขาเทียมก็เดินไม่ได้เองก็มีสิทธิ์นั่งรถสองลอ้อพี่น้องครับอ่าเนี่ยญาติพูมาแล้วนี่นอลัลลอฮฺไม่ให้เดินพี่น้องอลัลลอฮฺให้ พ, กพักผ่อนให้นั่งบนเก้าอี้มาจากอลัลลอฮฺทั้งหมดพี่น้องเห็นยังครับถ้าหากอลัลลอฮฺจะให้ใครมายับยั้งไม่ได้ถ้าอลัลลอฮฺไม่ให้เนี่ยใครมาให้ก็ไม่ได้ ทำไมต้องอ่านดูอ้าบทนี้วันหนึ่งอะนมาตหครั้งพี่น้องเตือนใจเราอะไม่ให้ตะกับบุตรไม่ให้เย่อหยิงไม่ให้จ้องหองพี่น้องอัลลอฮฺพี่น้องครับเอามาดูกุรอ่านนะอัมมันฮาจัลลาียัรุกุกุมอินอัมซาการิซกกผู้ใดแล้วจะให้เครื่องยังชีพแก่สูเจ้าถ้าพราะองค์ทรงยับยั้ง ไม่ให้ใครจะให้ได้พี่น้องเอามาพูดเรื่องริากีพี่น้องครับคุณอ่านนีนะ่อธิบายได้กว้างมากนะครับพูดเรื่องฤากีก่อนวันนี้สแสวงหาฤากีของอัลลอฮ์ทำยังไงพี่น้องการสแสวงหาเครื่องยังชีพเนี่ยอัลลอ์สั่งนะอัลลอ์บอกกับนบีมุฮัมมัดเอ๋ยเวลาตื่นนอนตอนซูบะนี่นะ เวลาน้ามาฟะยะตบนาซโบนันเมื่อนมาโซโบเสร็จแล้วอย่านอนอย่านอนอมีใครนอนบ้างอย่ายกมืออายเขาอย่ายกมือเป็นเด็ดขาดพี่น้องอย่านอนหลังนงมาโซโบใครสอนครับนบีสอนต้องการนั่นะครับต้องการให้ท่านพี่น้องน่ะรอรับริสุขีของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาตัลลาพี่น้องมองดูสิพี่น้องแล้ว คนที่ขายอาหารตอนเช้าเชาเนี่ยเขตื่นกี่โมงเขาตื่นกน่อนทำมาสุบโบนหมดไปน้องทํำนู่นทํานี้ทํานี่ทำนั่นขายปาท่องตุงโก๋เท้าหมดเลยไปน้องนั่นสแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์เนี่ยนบีสั่งลูกเออนบีไปหาไปหาลูกสาวท่านท่านหญิงฟาติมาหน่อยไปน้องนบีหลังจาก น, นมาสุบโบนเสร็จนี่ยไปน้องอารูปแบบนี้ไปใช้นะ พอหนามาซูโบเสร็จนบีเดินไปที่บ้านลูกสาวที่นบีเดินต้องการจะบอกว่าเราต้องทำตามนาบีถึงชีวิตจะมีบาระกันบีไปเยี่ยมบ้านลูกสาวหลังนามาซูโบเราก็ไปเยี่ยมลูกสาวเราหลังนามาซูโบอยู่บ้านเดียวกันก็ได้เข้าไปในห้องของลูกพราอจะมาเยี่ยมหน่อยเห็นลูกกำลังนอนอยู่นบีบอกว่าฟาติมา ลุกขึ้นลุกลุกอย่านอนลูกสาวนบีก็นอนเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะพ่อยังไม่ได้เตือนนบียังไม่ได้บอกลูกก็เหมือนกับประมาณจะสอนนั่นแหละเอ้าพอมาเห็นลูกนอนนบเลูกลุกขึ้นลุกลุกลุกลุอลลอฮ์จัดสรรริสกีอ่านี่นบีพูดเลยครับอัลลอฮ์ให้ริสกีเครื่องยังชีพน่ะตั้งแต่รุ่งอรุณจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้น กี่ชั่วโมงพี่น้องไม่ถึงชั่วโมงใช่หรือไม่ใช่สีหนาทีห้นาทีเองพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่อัลลอฮฺจัดสรรเครื่องยังชีพให้กับมนุษย์ทั้งโลกพี่น้องทั้งหลายจะนั่นลูกอย่านอนมาตื่นขึ้นมาพี่น้องครับในช่วงเช้าเช้านะตื่นมาทําอะไรพี่น้องนมาซุบโบเสร็จแล้วพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมนมาซุนัตก่อนนมาซุบโบสองละกอัต นามาซุปสุนัตสองรักษาดเนี่ยไปน้องดีกว่านี่นบีพูดเองนะปัจจัยดุนยาทั้งหมดเคลื่องยังชีพที่อยู่บนหน้าดุญญานยาใบนี้ทั้งหมดโลกไปน้องนามาสองรักษาดมีค่ามากกว่าฉะนั้นคนที่รวยที่สุดในโลกก็คือคนที่ได้มีโอกาสนามาสองรกอกษาดฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามเราว่าไมค์ไมค์ไมค์โคซอฟมีเงินเยอะบริจาคเต็มไปหมดเราบอกไม่ใช่ คนที่มีทรัพย์สินเยอะที่สุดก็คือคนที่ได้ตื่นมานามาสุโบ oh, และนามาสุโบ oh, สองแร้วก็อัดก่อนนามาสุโบ oh, เขามีทรัพย์สินมากกว่าคนที่มีทรัพย์สินบนดุลยานี้ทั้งหมดไปหรอกเราเชื่อตามที่นันาบีสอนเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกไปนรอกฉะนั้นคนที่ตื่นนามาสุโบ oh. แล้วก็ได้นามาสุนาฏสองแล้ก็อัดก่อนนามาสุโบ oh. คนนั้นแหละเป็นคนที่ครองความดีปัจจัยดุลยามากกว่าคนที่มีทรัพย์สินเป็ น, สนแสนๆล้านหมื่นๆล้านเป็น้องเทาลยไอแสนล้านหมื่นล้า น, น, าา น, ม, น, า น, นมันจะจ่ายอากาศพาลงนรกคนที่มีเงินเป็นแสนล้านพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้นะแต่ไม่ได้จ่ายอากาศในนามของอัลลอฮ์ม่นจะดูแลาศาสนาของอัลลอฮ์เงินแสนล้านมีประโยชน์ไหมล่องตายดูสิ ลองตายดูไอ้แสนล้านเนี่ยไปอยู่ที่ใครอยู่ในธนาคารไปน้องตัวเองพายไปได้หรือบางไม่ท่าสักบานนึงเอาล้อโกรธนี่เอาลอว่าฉันให้ริสกีคนตังเยอะแยะเนี่ยมากที่สุดในโลกอะ่ะถ้าคุณทำอะไรใช้เพื่อฉันบ้างอตอบยังไงไปน้องเอาล้อเปน้องครับจป็นั้นคนที่มีโอกาสได้นามาสุนัสสองเราก็ อ, อานก่อนนะมาสุบโบ ตามที่ท่านนาบีสอนคนนี้แหละเป็นคนที่มหาเศรษฐีที่สุดในโลกเพราะมีปัจจัยดีที่สุดมากกว่าโคมากกว่าค น, ม, ากกาคนมีเงินเป็นแสนแสนล้านนะครับพี่น้องทีนี้อัลลอฮ์จัดสรรรีสกีตอนตอนตอ น, ตอ น, ต, อนตอนเช้าเชาวิธีหารีสกีเนี่ยนบีสอนไว้แปดรายการครับพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องพออา่านจากคําสอนของนบีแล้วเนี่ย เมื่อมองกับนักธุรกิจที่หาเงินบนโลกดุนยานี่ไปคนละเรื่องเลยพี่นอ้องเอาอัลเสอนอย่างนี้คนที่แสวงหาทิสกีบุญโลกดุนยาแบบนี้ข้อที่หนึ่งต้องขยนันสูตรนี้เอาไปใช้กันทั่วโลกพี่น้องขยนันตื่นนอนแต่เช้าใช่ไหมใช่ขยันใช่ขยนัขยนครับพี่น้องสองมีอาชีพต้องมีอาชีพพี่น้อง ต้องมีอาชีพที่แน่นอนหนึ่งขยันสองต้องมีอาชีพที่แน่นอนพี่น้องข้อที่สามต้องมีอามานะอลัลลอฮ์เห็นยังไงพี่น้องอามานะนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องคําว่าอามานะหมายถึงตรงต่อเวลา กับลูกค้าอาลอล์มาหมดเลยไปน้องสินค้าต้องไม่กงมันมีมัน ม, มีมีหมดไปน้องต้องไม่ไรนะต้องไม่ปะปนสินค้าต้องไม่เอาของเดวเอาของไม่ดีมาปะปนกับของดีไม่มันตามมาหมดไปน้องต้องมีอามานะหนึ่งต้องขยันสองต้องอะไรนะต้องมีอาชีพอาชีพที่แน่นอนครับ บรรดาซอฮาบานนบีเป็นบุคคลตัวอย่างนบีเป็นบุคคลตัวอย่างที่สแสวงหาฤสษีของอัลลอฮ์นบีเป็นนะเป็นนักธุรกิจดู น, นบีขายอะไรครับขายสินค้าไปซื้อสินค้าให้กับท่านหญิงคอดียะก่อนที่ท่านนบีจะแต่งงานกับท่านหญิงคอรดิยะนบีค้าขายก่อนแน่นองนี่ไงนบีทําให้เป็นแบบอย่างแล้วว่าต้องมีสินค้าที่แน่นอน ต้องขยันนะครับข้อที่สต้องมีอามานะพี่น้องเรื่องมาอามานะ่าเรื่องเรื่องใหญ่มากครับเรื่องเองินเรื่องทองพี่น้องต้องละเอียดยิบนะครับข้อที่สี่พี่น้องต้องจ่ายสกาศเห็นยังครับไอคนที่รวยรวยที่สุดในเมืองไทยนี้จ่ายสกาดหรือเปล่าไม่ได้จ่ายพี่น้อง ไม่ได้จ่ายแม้แต่บัญชีพี่น้องทําบัญชีสองสองสองเล่มนะสองฉบับนะบัญชีให้รัฐบาลกับบัญชีอะไรนะเนี่ยบัญชีสองอันกับบัญชีอะไรนะเขาเจบัญชีอะไรอ่ะบัญชีหลอกรัฐบาลนะบัญชีตัวเองโอ้มีหลอกนู่นหลอกนี่พี่น้องกโกงก็อะไรพี่น้องแต่อิสลามไม่ใช่พี่น้องต้องมีอามานาชัดเจนพี่น้อง ข้อที่ี่ต้องจ่ายสกาดพี่น้องเอาหลอดพี่น้องพอพูดถึงเรื่องสายจ่ายจ่ายสกาดพี่น้องยิ่งทําธุรกิจจะให้เจริญก้าวหน้าต้องจ่ายสกาดขาดไม่ได้พี่น้องฉะ้งนั้นบรารักัดสกาดนี่พี่น้องมันคู่กับบรารัก้านะสกาดคู่กับบรารัก้าผมอ่านกุณอานเช็คคุณอ่านาตอนที่บงพุมนอนกลัวอยู่อยู่ที่บ้านอยู่โรงพรยาบาลเนี่ยสิบกววันนี่พี่น้อง เอาล้อพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องสะกาม32ครั้งพูด่องสะากดานะจ่ายสะากดาจ่ายสะากดาจ่ายสะากดาจ่ายสะกดในคัำพีกุรานทั้งหมด32ครั้งเยอะนะพี่น้องแล้วก็เมื่อจ่ายสะากดาแล้วนะ่ะได้อะไรพี่น้องบางคนยังมันยังนึกไม่ออกฉันจ่ายสะกดฉันได้อะไรน่ะพี่น้อง พี่น้องครับพอจ่ายอากาศปั๊บนี่สิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้อัลบาโรกาตุความจำเริญบรารกัดบรารกัดในคมัมภีร์กุรอานอัลลอฮฺพูดกี่ครั้งรู้ไหมสามสิองครั้งเหมือนกันให้จ่ายอากาศ32ครั้งฉะนั้นการจ่ายอากาศทุกครั้งต้องมีอะไรนะบรารกัดมีความจำเริญอัลลอฮฺกล่าวกี่ครั้งนะสาครั้งเหมือนกันถ้าหากว่า คนนี้เป็นนักค้าเป็นนักขายปีมีเป็นนักเป็นทั้งธุรกิจข้อที่หนึ่งทำข้อที่สองทำข้อที่สข้อที่สทําหาถึงจ่ายสกาดจะทําให้เงินของเขามีบรารกัดจะทําให้ตัวของเขามีบรารกัดจะทําให้ทรัพย์สินของเขามีบราระกัดจะทําให้ธรุรกิจของเขามีความเจเริญพี่น้องอร่อยพี่น้องผมมีเพื่อนอยู่หลายคนมีอยู่คนหนึ่งพี่น้อง ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมพป่น้องแต่เขาเอาหลักการอิสลามไปใช้เขามสืส ก, กิีที่ผมฟังบอกว่าตามธรรมดานี่เขาทำธุรกิจเนี่ยมันได้ประมาณเก้เก้าสิบกว่าล้านต่อครั้งนะพอขายสินค้าไปประมาหนึ่งจะได้ประมาณเก้าสิบกว่าล้านหลังจากที่ฉันได้มีโอกาสได้มา ได้เรียนรู้เรื่องเรื่องอิสลามแล้วก็มาดูแลเด็กกำพร้าดูแลคนนะครับดูแลาศาสนาของอัลลอยังไม่รับอิสลามเพียงแต่สนใจอิสลามพี่น้องเล่าบอกว่าขายของครั้งเนียได้มาอีกสมล้านถึงสี่ล้านบาทมันมาเป็น95บห้าล้านไม่รู้มาได้ยังไงผมก็งงไปหมด พี่น้องครับนี่ไม่ใช่มุสลิมหลังจากที่มาอยู่สนใจาศาสนาทำธุรกิจแล้วก็ดูแลคนยากคนจนเด็กกำ พ, พร้าพี่น้องปรากฏว่าขายสินค้าครั้งนี้เงินมันเพิ่มมาอีกห้าหล้านมายัางไงไม่รู้ตามมาดาก็เก้าสิบล้านเกาสิบล้านแต่ครั้งนี้มัน95้าสบห้าล้านมายัางไงทุ่มงงไปหมดเลยอ่ะ ทำให้เขาเนี่ยรักอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นพี่ น, น้องนั่นยังไม่ใช่มุสลิมในพี่ น, น้องทั้งหลายท่านพี่น้นนองครับใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าทําธุรกิจแล้วไม่ลืมจ่ายสกาดธุรกิจของท่านจะเจริญเงินของท่านจะถูกเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหัวใจของท่านจะสะอาดเพิ่มขึ้นทําให้คนในครอบครัวท่างอัลลอฮ์ดูแลคุ้มครองบนเลยครับพี่ น, น้องทั้งพี่ น, น้องเชื่อนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นคําสั่งที่ท่านนาบีได้ทําเป็นรูปแบบเอาไว้แล้วแล้วก็ได้รับความสําเร็จในชีวิตของท่านนาบีบ้างหมดแล้วพี่น้องต่อมาข้อที่ห้านะครับพี่น้องติดต่อกับเครือญาติต้องการจะให้ริสกีเพิ่มพี่น้องต้องติดต่อกับเครือญาติเอาเครือญาติมีใครบ้างพี่น้องหนึ่งพ่อสองแม่ สลูกชาย 4. ลูกสาวหาพี่น้องฝ่ายพ่อทั้งหมดพี่น้องฝ่ายพ่อนี่อร่อยรอยเยเยมกันนะและพี่น้องฝ่ายแม่โอ้โหนี่ก็อร่อยทั้งหมดไปลองบางคนดีดีมากๆบางคนนี่อร่อยจริงๆแต่ Allah สั่งให้ติดต่อ จะทําให้รีสกีของคุณเพิ่มขึ้นเห็นไหมพี่น้องไม่ใช่แสวงหารีสกีมีโรงมีร้านเปิดอย่างเดียวแล้วทะเลาะ ก, กับญาติพี่น้องรีสกีคุณหดแต่เอาล็อสั่งนะให้ติดต่อกับญาติพี่น้องของคุณญาติพี่น้องคุณมีอยู่สิบคนหนึ่งพ่อสองแม่สมลูกชายสี่ลูกสาว5ญาติฝ่ายพ่อทั้งหมดไม่ว่าหญิงชาย ญาติฝ่ายแม่ไม่ว่าหญิงชายพี่น้องแล้วก็ลูกสะพ้ยลูกเขยพ่อตาแม่ยายมี่ญาติกลยชิดพี่น้องห้ามทะเลาะคนที่เรียนศาสนาตั้งหากพี่น้องวางตัวงามหมดเลยพี่น้องไม่ทะเลาะกับใครยิ้มอย่างเดียวพี่น้องใครด่ามากออด่าฉันแต่ออสตากฟิ ล, ล์มดอกให้อภัยพี่น้องอย่าไปโต กับใครนะคนสิบประเภทนี่พี่น้องทําให้ริสกีเพิ่มขึ้นพี่นอ้องอิหมา่าจะเพิ่มไหมเพิ่มอัลลอฮ์พี่นอ้องเอา น, นีข้อเท่าไรนั่นก็พี่น้องข้อที่หข้อที่เจ็ดพี่น้องข้อหกเอข้อหอันนอฟะความสะอาดอัลลอฮ์เป็นศาสนาพี่น้องเรื่องสะอาดต้องศากษาเป็นศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องคิดดูนะ เนี่ยถ้าเราเปิดร้านอาหารเล็กๆไปนองแค่สามสีโต๊ะเนี่ยถ้าคนแต่งตัวเจ้าของร้านสะอาดถ้วยชามสะอาดโต๊ะสะอาดช้อนกะละมังเครื่องภาชนะสะอาดน่าเข้าไหมอ่ะฮัลโหลพ่ออกบัสรวนไปถึงภรรยาที่แต่งตัวสะอาดๆก่อนนอนอ่ะน่าน้าไหมน่าคุยด้วยอ่ล้อ แล้วก็ใส่น้ําหอมอโลอากวาดนี่สั่งใครสั่งพะยะเรื่องความสะอาดพี่น้องแปรงฟันก่อนอาบน้นํานมารตะปัดที่นอนทําห้องนอนในสะอาดฉีดน้ําหอมอโลแล้วก็ยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุญลูบไปทั้งตัวพี่น้องนี่เป็นโุนน่านาบีทั้งหมดพี่น้องแล้วก็แต่งตัวส ะ, สะอาด ใส่เสื้อบาง ๆ, ๆเลยเรียกน้อยๆไปน้องทานล็สติกบางๆหน่อยแล้วสายเครื่องหอมอัลลอฮฺอักบัสามีเข้ามาในห้องตะลึงอ่านี่นิก้าใหม่เลยเนี่ย น, นึกว่าส่งสง ส, งส่งเจ้าสาวเข้ามาในห้องไม่ใช่ที่น้องเพราะเราเอาซุนนะนบีมาใช้เขาทำอยู่เลยๆไปน้องเรื่องความสะอาดสําคัญที่สุดอันนอซอฟะตุนมีนัลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของ ของอีหมาอาลอลลอฮฺไปน้องสินค้าสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนดีไหมพี่น้องก็สินค้าเมืองไทยถือส่งส่งไปแต่ตีกลับหมดเพราะอะไรอ่ะก็สินค้ามันปลอมนะพี่น้องและสําเร็จไหมไม่สําเร็จครับพี่น้องออลลอฮฺไปน้องจะนั่นเรื่องความสะอาดสําคัญนะพี่น้องข้อที่จะใดพี่น้องข้อที่เจ็ดอย่ากโกงตาช่างเห็นไหม ข้อที่เจ็ดอย่าโกงตาช่างพี่น้องอย่าโกงตาช่างพี่น้องการมีมีนักค้านักขายคนหนึ่งเข้ามาในร้านในประเทศนู่นน่ะในประเทศอาหรับพี่น้องเขาเขียนไในตําราไว้หน้าอ่านอ่นแล้ว إ ي م านเพิ่มพี่น้องพอเข้ามาตอนเช้ามาถึงก็เอาเอาเหล็กเนี่ยมาตี ตีตมาตีตาช่างทุบตาช่างทุบสามสีอันพังหมดเลยคนเรียมรางก็มาถามว่าเฮ้ยทาลายตาช่างคุณทําไมอ่ะเขาบอกเอพเพราะตาช่างอันนี้แหละเมื่อเช้าเนี่ยฉันถูกเชิญไปที่บ้านคนค น, คนหนึ่งหลังจากนมาสุบอกเชิญไปที่บ้านคนคนนั้นและคนนั้นที่ถูกเชิญไปไปน้อง ไปเห็นคนผู้ชายคนหนึ่งอาการโครม่า ก, กล้าจะเสียชีวิตฉันก็ไปไปถึงก็ไปสอนลออิลาฮิลอรอไปที่พูดที่หูคนที่กล้าจะตายฉันสอนกี่ครั้งกี่ครั้งมันว่าไม่ได้อะมันว่าไงตะชั่งตะชั่ง ตาช่งว่าอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าคนนี้มันเพื่อนกั น, น่ะแล้วมีอาชีพค้าขายที่ตลาดเหมือนกันมีอาชีพทําทาธุรกิจเนี่ยส่งสินค้าไปเยอะไปน้องโกงตาช่างมาตลอดโกงตาช่างไปน้องฉันก็พยายามกล่าวให้นึกถึงอัลลอฮ์นะละอละอลออมันว่าไม่ได้นะว่าตาช่างตาช่างตาช่าง พออะไรพอตายเรียบร้อยดีเขาก็กลับบ้านแต่งตัวม า, มามามาที่ร้านก็เอาตาช่างของแกเองนี่แหละของตัวของคนๆคนคนที่ยังไม่ตายไปน้องแสดงว่าอันนี้ก็โกงเหมือนกันมาทําลายตาช่า ง, งตั้งตั้งแต่วันนี้ไปฉันไม่โกงตาช่างแล้วเพราะเพื่อนของฉันโกงตาช่างมาตลอดผลสุดท้ายไปน้องตอนตายกล่าวกะริมาเตาเฮ็ดไม่ได้ไปน้องครับ เรื่องกาวลิมาตาฮิดไม่ได้ยังมีอีกคน เ, นเป็นน้องนะที่เราอ่านจากตัวฮะดีสเนี่ยลูกลูกพี่น้องลูกชายตัวเองในพี่น้องพอแต่งงานแล้วรักภรรยายถูกไหมถูกครับแม่กับภรรยาเนี่ยต้องรักไหมต้องรักครับต้องเอาใจใส่ทั้งสองคนแต่ลูกชายคนนี้เนี่ย รักภรรยามากกว่าแม่ตัวเองรักภรรยามากกว่าแม่ตัวเองอะ่ะไอ้รักนะ่ะดีไหมดีรักมากกว่าดีไหมไม่ดีต้องให้แม่นะ่ะเหนือกว่าภรรยาแม่รู้ได้ยังไงพี่น้องว่าลู ก, นล ก, ลกนเนี่ยลุงชายลุงชายเนี่ยรักภรรยาเกินหน้าแม่แม่เสียใจอะ่ะพี่น้องแม่อธิบายบอกว่า เวลาภรรยาสั่งสิบข้อมันทําปรับบปรับปรัสิ บ, บ, บ, บ, บ, บข้อหมดเลยเวลาแม่สั่งห้าข้อมันทํากี่ข้อทำสองข้ออีสามข้อมันไม่ทําำแสดงว่าอะไรนะรักอะไรนะรักภรรยาเกินหน้าแม่ถ้าแม่ไม่เสียใจไม่มีปัญหาแต่นี่แม่เสียใจอ่ะจตนี่มะเราก็บางที ธรรมะเราเข้าใจศาสนาเยอะๆก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่ได้ลูกชายมันหลงเมียมก็หลงไปไม่มีปัญหาแต่แม่บางคนเนี่ยเห็นลูกชายเนี่ยอตอนหน้าตอนหลังลูกสะพายเกินหน้ามัตัวเองเนี่ยแม่บางคนเสียใจถ้าแม่เสียใจพี่น้องครับอันตรายนะถ้าแม่เสียใจอันตรายพี่น้องครับอันตรายมากเลยอันตรายแบบทไม กาวกัลิมะเตาเฮตดก่อนจะตายไม่ได้เอาอะพ่อนบีสอนว่าใครที่กลาวกัลิมาเนี่ยละอิละหิลละก่อนจะเสียชีวิตสักห้านาทีแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยพี่น้องกลาวคำนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วก็วิญญาณออกจากร่างดาคารันยานะเขาได้สวรรค์ครับได้เข้าสวรรค์เอาไหมผมเอาครับ แต่ตัวอุปสรรคที่จะทำให้คนกล่าวไม่ได้หนึ่งกงตะช่างไม่มีสิทธิ์สองแม่เสียใจให้พ่อเสียใจให้แม่เสียใจไปน้องแม่กับพ่อเสียใจนะถ้าแม่เสียใจนะโทษหนักกว่าพ่อนะี่น้องนะทำให้แม่เสียใจไปน้องฉันอย่าทำให้แม่เสียใจลูกต้องนึกอัอฮนบีสอนอย่างนี้นะ แม่เสียใจอัลลอฮ์ก็เสียใจด้วยถ้าแม่โกรธอัลลอฮ์โกรธด้วยฉะนั้นทําให้พ่อแม่ดีใจทําให้พ่อแม่อบอุ่นใจทําให้พ่อแม่สบายใจลูกได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์สุภาพนั่นแหละฉะนั้นคนทำธุรกิจพี่น้องต้องให้พ่อแม่พอใจถ้าพ่อแม่พอใจใครพอใจนะอัลลอฮ์พอใจถ้าพอใจทําธุรกิจเจริญไหมเจริญครับพี่ต่อตลอดไป ต่อมาข้อที่เจนะครับพี่น้องทั้งหลายให้อ่านดูอาอิสติกฟาดูอาเยอะๆพี่น้องครับดูอาพี่น้องพี่น้องดูอาเช้าเย็นน่ะว่ากันได้หรือยังได้ไหมดูอาเช้าดูอาเย็นพี่น้องทาดูทีวีเนี่ยเว้นหายผมจะอ่านอะไรอังไงอัลลอุมะบิกาอัลบะฮนา ดิอา์ตอนเช้านะว่าบิกะอัมไยนาว่าบิกะนนาฮยาว่าบิกะนนามูตัวอีลายกันนุชูให้ว่าสามเที่ยวดูอา์ตอนเช้ามีทั้งหมด19บทโอ้โหลสิบเาบททำไมมันเยอะละ่ะไม่เยอะพี่น้องก็ไม่ให้นอนหลังนมาสุบโบนี่มีเวลาอ่านไหมมีแต่ท่านนอนอ่านได้ไหมไม่ได้ ทำามห็นวนทำไรอ่านุอ่านคิุลล้านี่พี่น้องอัลลอฮุมะบิกะอัเบห์นาวบิกะอัมนาวบิกะนยาวบิกะนมูดุไวไลกันนูซูร์อาอุบิกะลิมติลลฮิตมติมินชริมาอัลลอฮ์นี่พี่น้องเป็นดวงอธิษานบีสนมีความหมายซึ้งมากครับพี่น้องลอดีบิลลาฮิรบบาวบิลอิสลามิดีนาวบิมุฮัมมดรูล Allahumma inni auzu bi kamil kasali wasu il kibri ดูคัมภีร์ไปน้องอัลลอฮ์จ่ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อยากให้ฉันเป็นคนขี้เกียจ ด, ดีไหมอ้าวขี้เกียจแม่แมะชอบไหมอัลลอฮ์ทำแม่ขี้เกียจนะ อ, <laughs> อย่างเดียวนะ่ะจบ ไม่น่าขี้เกียจไม่ม่ใครชอบเลยอัลลอฮ์ก็ไม่ชอบนบีก็ไม่ชอบนบีสั่งให้เราขอหนออัลลอฮ์จะอย่าให้ฉันเป็นคนอย่าทําให้ฉันเป็นคนขี้เกียจวาซูอิลกีบารีอัลลอฮ์นี่โมเดิร์นมากนะอย่าให้เป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วแล้วหลงหลงลืมลืมเอาไหมแกชราได้ไปน้องหลงลืม เอาไหมไปน้องผมไม่เอาคนผมไม่เริ่มขอในไปน้องผ ม, มเริ่มขอมาประมาณสิบปีเลยไปน้องนะะอัลลอฮุมมัลลอฮิอัลลอฮิบิกามีนัลกาซาลิวะซูอิลกีบารีอยากให้เป็นคนที่แก่ชาราแล้วหลงห ล, ลงลืมลื ม, ลมอย่ารอผมไม่เอาครับทีนี้ถ้าไม่ให้หลงลืมทําไงไปน้องครับต้องอ่านดวงอาเยอะๆซิกรุลลอเยอะๆดวง อ, อ, อาเนี่ยอ่านเยอะๆไปน้อง จิกรนลอเยอะ ne, ่างงี il, ne, ้ subhanallah ว่าบิฮมดีฮีาลินถามว่า s ุ b h a n a l l h เนี <g ül> ่ยเบาลินหรือว่าหนักดักลินเบาใช่ไหม subhanallah ว่าบิฮัมดีฮีเบาลินกับไอ้ฮ่านยหนักกว่ากันด่าคนเนี่ย ตาสับงแรงเเหนื่อยไหมเหนื่อยอะ่ะแต่สุบฮานอัลลอฮฺบิ ham ba ulin พี่น้นองแล้วก็หนักที่ตาช่างตาช่างมีนะพี่น้องไม่ใช่ตาช่างที่ช่างช่างเป็ดช่างกายที่ร้านนะเป็นตาช่างที่อัลลอฮฺจัดไว้ในโลกอาคริร์ตายแล้วฟืน้นพอไปเจอทุ่งมาชัดเห็นตาช่างวางอยู่พี่น้องนั่นแหละ ช่างเตาให้ได้ใครที่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ทําชิริกอัลลอฮ์ไม่เคยไปหาโตตะเกียเลยพี่น้องที่เรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยช่างเป็นน้ําหนักได้อัลลอฮ์พี่น้องอัสตลารุลลอช่างเป็นน้ําหนักได้สุบฮานอัลลอฮวาบิฮามดีพูดคํานี้พี่น้องช่างเป็นน้าหนักได้เลยและนบีสอนว่าไงรู้ไหมเบาตาช่างไอะหนักตะช่างเบาลิน้นแล้วก็เป็นที่รักของอัลลอฮ์ a l l ะพี่น้องมีอยู่สองคำ سبحان a ลอ a h วะบิคำดี س ุบ ا ن a l ล a h ฮิลอาซีสองคำนี้พี่น้องในช่วงที่ผมนอนอยู่โรงพยาบาลก่อนที่ให้ผมไปนอนอยู่ประมาณสัก4ี่สบนาทีครึ่งชั่วโมงรอส่งกล้องอ่ะเอ๊ะอมานอนเอามันเอาเข้ามาในห้องก็จะส่งกล้องนานสี่สิบฟานทีทำไง a s t a ฟ h f i r u l l a h wa tu ba alaihi i n n น ka antat tawabul q a f u พน้องอ่านออาได้เป็นพันนะแล้วก็ตามด้วย s u b h a ล a l ว a h wa b i h ฮ m d i h i subhanallahil a z เพน้องเอาคำสอนของนบีที่สอนมาหนึ่งพันสรปีเอามาใช้วันนี้ได้ไหมได้ครับยังสง่างามผมสังเกตนะี่น้องพออา่านดุอาบทนี้ไปโรคภัยเขาเจ็บมันเป็นเหมือนกันแต่มันหายไว ผมสังเกตเมื่อสองสามปีแล้วผมถูกงูกัดงูเขียวหางอะไรหางอะไรนะหางไหมเขาบอกอันตรายนะ่ะเราก็รู้อันตรายพอถูกงูกัดผมเข้าของน้ํอาอ่าน้าธรรมาสเพื่อเพื่อตายก็ไปโรงพยาบาลไปน้องปรากฏว่าไปนอนอยู่สองคืนหมอว่าอาการไม่ออกเน่ยพิษไม่ออกอ่ะเราก็นึกเลยถ้าพิษไม่ออก พอเราอ่านอรนจัอซบิาลิมาติลาฮิตมาติมิชริมาลดบิสมิลาฮิลาลายดรมาอัสมาฮิอุมฟิลอรวลาฟิสซมะวะวซมอุลนี่เป็นตัวอากป้องกันสัตว์ร้ายเป็นตัวอาให้มุสลิมทุกคนอ่านพี่น้องผมอ่านเอ้ยพออ่านแล้วทำไมงูยังกัดอยู่ แต่งูกัดประกฏว่าพิษมันไม่ออกคนที่ถูกงูกัดในวันเดียวกันนะในหมู่บ้านเดียวกันมีอยู่สามคนอีกสองคนนั้นไปตัดเนื้อกับพี่น้องแต่ของเราอัลฮัมดุลิลละพี่น้องวันนี้ผมกล้าพูดได้ว่าดูอาเนี่ยช่วยได้ครับดูอาช่วยได้พี่น้องครับฉะนั้นอย่าดูถูกดูอาคนที่ดูถูกดูอานะใครรู้ไหมฟาโรเฟีนอนุล ฟิลิป์ดูถูกดูอาเห็นนบีมูซาเนี่ยต่อสู้กับท่านอยู่เขาบอกมูซาเดี๋ยวมันเข้านมาเดี๋ยวขอดูกอาต่ออัลลอฮ์ให้มันขอดูอาไปเถอะดูามีอะไรเห็นไหมฟาโรดูถูกดูอาเสร็จแล้วรู้ปล่านบีมูซาขอดูอาทําลายฟาโร่ขอดูอาให้ทําลายฟาโร่อัลลอฮ์รับแต่มีข้อแม่ นาบิมูซาวอาอย่าเอาลอให้ฟาโรตายที่บ้านให้ฟาโรเนี่ยถูกลงโทษในบ้านเลยในพระราชวังแล้วอัลลอฮ์บอกกับจิบรีนลงมาบอกว่าอย่าให้ทำลายอย่าทำลายฟาโรในพระราชวังเขาเลยเพราะเขามีชื่อฉันเขียนแปะอยู่หน้าพระราชวังคิดไหมนะบิสมิกลลอฮุมมาด้วยพระนามของอัลลอ์มีชื่อของอัลล แปะอยู่ที่หน้าพระราชวังอัลลอฮเลยเรสเปคให้เกียรติกับชื่อของพระองค์ไม่ทำลายฟาโรห์ในพระราชวังแต่ทำลายที่ไหนร้ไหมทำลายในทะเลตายจมน้าตายดูอาของท่านนบีมูซาอัลลอฮรับกับไปน้องท่านอย่าอย่าอย่าอย่าดูถูกดูอาี่น้องการขอดูอาไปน้องได้แน่ๆ แ, แต่ได้ห้า ไม่หนึ่งในห้าต้องได้แน่แน่ขอดุงอาในไะปน้องกันเนิ่งขอแล้วได้เลยขอป้าบตอนกลางคืนตื่นเช้ามาได้เลยไปน้องสังเกตสังเกตตัวใครตัวมาสังเกตตัวเองนะสองขอแล้วได้ช้าผมพบกับใครอ่ะอาจารย์อาจารย์ปราณี บอกว่าชัดเนี่ยขอดูอาอยากได้สามีสิบปีขอกี่ปีนะสิบปีได้ชาแต่ได้ไหมได้อลลอยพี่น้องขอยาลอยาอยากได้สามีที่ดีพาฉันไปสวรรค์ได้ขอกี่ปีสิบปีแล้วได้ไหมได้เห็น ไ, ไหมพี่น้อง ขออันที่สามขอแล้วไม่ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้มีบาลาไม่ให้มีการทดสอบไม่มีฟิทนะไม่มีปัญหายกตัวอย่างท่านพี่น้องอยากขอดวงอาลลอฮ์ฉันอยากได้ร้านสักร้านหนึ่งแถวๆหน้าสีคนเพราะคนมันเยอะขอไปห้าปีอัลลอฮ์ไม่ให้ร้านขอๆๆไม่ได้พอปีที่หกอัลลอฮห้ให้ๆห้ห พอให้ป๊บปทีทองเปิดได้ปีกว่ากว่าไฟไหม้สินค้าในร้านหมดคนตายคนหนึ่งเอาไหมถ้ารู้อะเอาไหมไม่เอาไปน้องแค่นั้นขอดุอาอย่างหนึ่งอลัลลอฮฺไม่ให้ไปน้องแต่อลัลลอฮฺเบียงเบนบ巴拉ไปไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดือดร้อนไปน้องนี่ข้อที่สามข้อที่สี่ขอแล้วไปน้องขออย่างหนึ่งอลัลลอฮฺให้อีกอย่างหนึ่งเอาไหม เราไม่รู้พี่น้องเช่นเราอยากได้ลูกผู้หญิงเอาลอจ้าอยากได้หลานผิมีแต่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายมาเจ็ดคนแล้วอยากได้ลูกผู้หญิงอีกสักคนหนึ่งเอาลอไม่ให้ให้ลูกผู้ชายอ่ะโอ้โหพี่น้องเนี่ไงเอาลอรู้ฉะนั้นขออย่างหนึ่งเอาลอฮะอีกอย่างหนึ่งแบบใครรู้ไหมแบบมะของนบีอีสา เนี่ยมารยาญนายพี่น้องมาของนบีอีซาในพี่น้องขอให้นางมารยามเน่ยเป็นผู้ชายแต่อัลลอฮ์ให้เป็นผู้หญิงถางว่าโตแชร์ของนบีอิสซาดีใจไม่ดีใจเลยขออยากได้ลูกผู้ชายแต่อัลลอฮ์ให้นางมารยามมาเป็นลูกผู้หญิงเพื่อจะมีนบีอีซาน่ยอัลลอฮ์เราวางแผนนะว่าพี่น้องฉะนั้น ขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชาสา 3. ขออย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งขอแล้วไม่ได้แต่บาระไม่มีข้อที่ห้าพี่น้องขอแล้วโลกบนโลกดุนยาไม่ได้แต่ไปได้หลังตายตกลงว่าได้แน่ๆพี่น้องไม่ข้อใดข้อหนึ่งต้องได้แน่ๆพี่น้องแต่ผมอยากได้หลังตายนะเพราะ หลังตายนอนคนเดียวอะอยู่บนดุนยานี่ยพี่น้องมีคนช่วยเยอะหลังตายนอนอนกูโบกุนเดียวนะอัลลอฮฺพี่น้องผกว่าได้หลังตายดีกว่าพี่น้องเอออย่าอัลลอฮฺอย่าลงโทษในกูโบดีไหมอัลลอฮฺย mm hmm. Allah, อยาอ AH. mm ัลลอฮฺละตอัซิบนีอัลลอฮฺ AH, จะอย่าลงโทษฉันในกูโบเลยเพราะอยู่คนเดียว mm hmm. แค่มาร้างป่องเดินผ่านแล้วยังกระโดดได้ใช่ไหมถ้ามาในกูโบ วิ่งได้ไหมคำอยู่ในโลงกับเราพี่น้องเรียบร้อยสักห้าตัวนะเรียบร้อยแล้วร อ, อกัดนุ่นทีกัดนี้ทีมันจะหลับได้ยังไงเลยพี่น้องในกูโบกูเดียวพี่น้องฉะนั้นขอแล้วได้หลังตายผมชอบหลังตายนะหลังตายช่วยใจเยอะแคกคนทั้งหลายตุลรูว่าดูอาขอดีไหมดีได้ไหมได้ได้แน่ๆ น, นะไม่หนึ่งกับห้ารายการเนี่ยได้แน่ๆไม่ได่าทันทีทันใดก็ได้ช้า ไม่ได้ชาก็าบาัลาไม่มีขออย่างหนึง่งได้อีอย่างหนึง่งพี่น้องข้อสุดท้ายก็คือขอแล้วบนดุนยาไม่ได้แต่ไปได้ในโลกอาคีระอถามโลกอาคีรอเริ่มเริ่มเมื่อใดเริ่มตั้งแต่วันตายใครตายก่อนคนนั้นเจออาคีรก่อนอร่อยพี่น้องพี่น้อ ง, อ, งอยากอยากฟังคนตายดีไหมคนตายดีพี่น้องครับ พอจับใส่ลงปั๊บมีนบีศอนนะนบีพ่อหมัดสอนนะพราะ อ, อัลลอฮฺบอกให้เล่านะก๊อดดิมูนีรีบพาฉันไปรีบพาฉันไปรีบแบกฉันไปไปฝังไวๆเพราะฉันจะได้ไปรับรางวัลของฉันในสุสานพอฝังเรียบร้อยปั๊บอัลลอฮฺอะไรถูกไหมเปลี่ยนชุดกระฝันที่เราห่อไปสามชิ้นพี่เนาะอัลลอฮฺเอาอันนี้ออกไป เอากะแันเมดฟร์มจันนะทำจากสวนสวรรค์นะเอามาห่อแทนเอาที่นอนพี่น้องเมดอินจันนะเอามาปูแทนเอาไหมเอา <laughs> อ๋อนี่มันสองเลยนะอันที่สามหันหน้าไปทางกิบหลัดใช่ไหมตอนนอนอยู่ดนกูโบเห็นอะไรรึเปล่าเห็นสวรรค์ที่อยู่ของเราในสวนสวรรค์ สอัลลอฮฺให้เรื่องเรื่องแฮปปี้หมดเลยข้อที่สี่พี่น้องครับคบรูโบกว้างเจส็บสบซอกเอาเปล่าเจ็ดสิบซอกนี่ก็กวาดไว้นะแต่อัลลอฮฺให้กว้างจะยากกว่าไม่แคบใช่หมหนึ่งมีผ้ากาฟฟนจากสวรรค์มีที่นอนจากสวรรค์เห็นสวนสวรรค์ที่จะไปอยู่หลังจากฟื้นคืนชีพข้อที่สอะไรท่านพี่น้องครับ กุโบกวางข้อที่ห้ามีกลิ่นหอมเอาไหมจะตรงกันข้ามถ้าคนเลวมีกลิ่นอะไรมากลิก่นอะไรครับเหม็นคนเลวคนดีกูโบกว้างเจ็สิบถ้าคนเลวกุโบเท่าไหร่นี่อะไรนะสี่โคงรงผสากนกันแบบนี้ใครสอนนบีสอนไปน้องครับท่ท่านครับตายในสภาพคนดีดีกว่าพี่ต้องครับ ถ้าตายเป็นคนดีตายยังไงที่อัลลอฮฺพอใจไปน้องคนที่ตายดีหนึ่งขณะที่เขายืนนมาศหรือกําลังสู้อยู่แล้วเขาเสียชีวิตไปเลยนั่นก็เรียกว่าตายดีสองขณะครองชุดอยารอมตายดีสกมกาวกาลิมาเนี่ยเลยีเหลยฮะอิลลอฺเขาเรียกว่าตายดีไปน้องแล้วก็ตายดีขณะที่น้นํานมาศเนี่ย พี่น้องเก็บน้ำนมาสกัรไว้นะน้ำนมัสการเก็บไว้เยอะๆพี่น้องมันเป็นอาวุธที่ใช้ตอนไม่กล้าเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราเป็นเรื่องลับทั้งหมดพี่น้องท่านนับีไม่เล่าเราไม่รู้เลยว่าโอ้เก็บน้ำนมัสการไว้นี่ได้อะไรผมขออธิบายนิดนึงคนที่เก็บน้ําน้ำนมัสกาไว้ประจําเนี่ยท่านไซดีนาบิล่ารอดิยัลลอฮฺอันลอฮฺ ไซนาบิลานเป็นลูกศิษย์นบีนะเป็นซอฮาบ้านนบีเห็นหน้านบีคุยกับนบีทานข้าวกับท่านนาบีท่านนาบีขึ้นเมีอรอชไปนออ้องอัลลอฮ์ให้ไปทัวบนชานฟ้าเห็นได้เต็มไปหมดไปน้องพอพาไปเข้าในสวรรค์คนที่เดินข้างหน้านาบีอยู่ในสวรรค์คือท่านไซดีนาบิล่าอดีตยลลของอันหุนบีงงอเห็นรองเท้าอ่ะ Hey, ที่ของบิลล่า น, นี่ยเข้ามาได้งไงอะ่ะพนน บ, บีลงมาจากชั้นฟ้ามาพบท่านบิลาลานรัตนีณฉันเห็นเธออยู่ยในส่วนสวรรค์เดินอยู่ข้างหน้าฉันอะ่ะคุณทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบิลานตอบฉันทำสองรายการฉันจะเก็บน้ํำน้ำมาดทุกครั้งที่น้ํำน้ำมาดหมดให้ไหมเพื่นน้องเห็ น, ห น, น, หนยังครับ ไม่ได้งานบริจาคเป็น ล, ล, าน ล, านลาน้านๆสิบล้านลอยล้านเปล่าพี่น้องงานที่ไม่ได้ลงทุนเลยพี่น้องถึงสุโขโมงข้างเป็นหมดนะ่ยเก็บน้ําน้มาดเอาไว้พอน้ําน้มาดหมดเก็บน้ําน้มาดพออาบน้ําน้มาดจบทําอะไรนะน้มาดอีกสองเรากะอัดเรียกว่าตาให้ตุลวูดูให้เกียรติกับการอาบน้ําน้ำมาดฉันทําแค่นี้เองนบีบอกรอให้ไว้พี่น้องในอิสลามไม่มีอะไรเล็ก ใหญ่ยยหมดพี่น้องขอให้ทําตามสุนนัขนบีถางว่านาบีสอนปั๊นบีสอนให้เก็บน้ํำนามาดนาบีทําเป็นแบบครับสบ า, าบานนบีพี่น้องใชนามบิลานีเนนเนา่เป็นคนเป็นทาสเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีหน้ามีตาในสังคมแต่พอมารับอิสลามปับ๊บนบียกตําแหน่งให้เป็นคนอาจารย์พี่น้องแค่อาจารย์นี่ก็ไปสวรรค์อยู่แล้วพี่น้องแต่นี่เก็บน้ํำนามาดอีกแล้วนมาสองละกะอัต ที่ผมนํามาบางครั้งจะสอนตัวพงเองว่าอุษาฟ้าเก็บนําน้มาดบางนะน้มาดสุ น, นัต ด, ด้วยนะพี่น้องครับนี่ถ้าเรารักษาสุ น, นัตพี่น้องจะสวนน้มาดห้าเวลามันต้องมันต้องประ ก, กาศต้องทําอยู่แล้วพี่น้องกันลานี่เป็นสุนนัตเล็กๆพี่น้องซึ่งเราคิดว่าไม่มีค่าแต่ที่ไหนได้มันมีราคาแพงมากครับพี่น้องพี่น้องครับอยากตายดีใช่ไหมต้องขอทุกาอาลัลลอฮฺจะขอให้ฉันตาย ในสภาพของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอดไพี่น้องตอนกาลังอธิบายเรื่องคุณอ่านว่าถ้าอัลลอดจะยับย่างริสกีเนี่ยคนอื่นเอามาให้ไม่ได้จะต้องกมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาขอรุอาต่ออัลลอดไพี่น้องอยากได้ภรรยาเขาขอมาสิบปีไปขอที่มาการะ นี่ผู้หญิงที่ผมเล่ามันเกียตด็อกเตอร์นั่นก็บเขาได้นะเขาขอไม่ได้ไปมรกกาณะขอขอขอทุกวันนี่แหละแต่มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งคือไปจีบผู้หญิงไปน้องผู้หญิงไม่เล่นด้วยอ่ะสเสร็จแล้วก็ไปที่มรกมาณ์ไปเดินแต่ว่าเอาลอจะอยากได้ภรรยาเอ่ยชื่อจากคนนั่นคนนั้นคนนั่นพอกลับมาเนี่ยนี่โทศรศัพท์มาเล่าผมฟังอาจารย์ได้แล้วเรียบร้อยแล้วนมรกาณ์เรียบร้อยแล้ ว, แ, ลวแต่ขอมากับเป็นสิบสี่ปี ตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยนะฉันไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาเลยเพราะทไมอ่ะฉันนึกพอจะทะเลาะ ก, กันนึกวันหล่ไปสายไปเดินตะ ว, วามาทั้งหลายแล้วเขาบอกบถ้าทะเลาะ ก, กับเธอทําไมอเออคุณคิดดีงี่งไปน้องไนงะคิดอย่างนี้นะดีไหมดีครับมันทะเลาะ ก, กับภรรยาไม่ด่ากับภรรยาและอีกคนหนึ่งไปน้องกับสไยนาอุมาศ ไม่ทะเลาะ ก, กับภรยาเป็นซอ่บ้านนะบีครับไม่ทะเลาะ ก, กับภรรยาพี่น้องท่านบอกฉันทำท่า น, นึกสี่ข้อชายคนนี้นะ่ะนึกข้อเดียวนะไปเดินตะวา่าขอได้ภรยาเพราะอาลัลลอฮ์ให้มาเพราะทะเลาะ ก, กับภรยาทําไมไปัญญาภรยาทําไมพอนึกตอนตะวานะ่าปน่ะเรานั่งถึงบินไปน่างจังหวดพัะยาแปดหมื น, น 80, ใช่ไหมอยู่มักกะอยู่สิบวันเดินตะวา่าทุวันทวนอลัลลอฮ์ให้มาไม่กล้าทะเลาะ ก, กับภรยาดีไหมดีครับ ใส่นาวมัดฉันไม่จะเลาะ ก, กับภรรยาฉันฉันไม่ด่าภรรยาฉันฉันให้อภัยภรรยาเพราะสี่ข้อข้อที่หนึ่งท่านคิดนะมีซอบ้านนบีคิดภรรยาฉันเนี่ยท้องมาอุ้มลูกแปเก้าเดือนทรมานข้อที่สองเลี้ยงลูกแทนฉันข้อที่สามจัดเนี่ยเสื้อผ้าให้ฉันใส่ ข้อที่สี่จัดอาหารจะชันชาสี่ข้อพอแล้วภรรยาจะบนเชิญจะงอนบัดเชิญตามสบายไปน้อนกับนี่ไงเคยว่าคิดจะไรนะคิดตามซอฮาบะฮันนบีก็เป็นซุนนะนบีเหมือนกันถ้าคิดตามนาบีอลัลลอฮ์นบีไม่ทะเลาะ ก, กับภรรยาเลยพี่น้องไม่เคยตาหนิภรรยาไม่เคยด่าภรรยามีแต่สอนภรรยาเอาเธอรู้ไหมนบีสอนยังไงพี่น้องกับ พี่น้องนำมาไปใช้นะนะครับนำมาไปใช้สอนอย่างงี้ครับพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งนบีนั่งในมัสยิดสอฮาบานนบีเห็นหน้านาบีสดชื่นหน้านาบีสดชื่นพี่น้องทุกคนมองแล้วออกรอเพื่มใจก็ถามท่านนาบีอะยาซูลลว่าทำไมหน้าตาท่านสดชื่นเหลือเกินเน่ยนบีก็อ่านอ่าน อ่านกูนอ่านว่จะอ่ามินัลมากุณล่ะใชอินไฮนอัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยแล้วก็สร้างทุสินทุอย่างบนโลกนี้เนี่ยมีน้ําปนอยู่ทั้งหมดจริงไหมจริงครับผมคุยกับหมอแวร์หมอว่าใช่ทุสินทุยานมีนม้ำมันเลอะจันยิ่งคนเนี่ยน้ำ ม, มากกว่าเนื้อใช่ไม่ใช่สมส่วนเนื้อแค่อะไรเนื้อแค่สี่ส่วนน้ำสี่ส่วนเนื้อสามส่วนใช่ไหม แผ่นดินก็มันการโลกใบนีน้มันการหน้ามากกว่าดินพี่น้องโอ้แล้วก็สวสาบานบีถามมายาสุธรฉันต้องการจะมีใบหน้าสดชื่นแบบท่านจะทำยังไงแล้วเข้าสวรรค์ด้วยมีใบหน้าสดชื่นแล้วก็พาท่นไปสวรรค์ได้นบีว่าให้ทำสี่ข้อพี่น้องนำมาพิจารณาข่มก็ะชายอยู่วันนี้หนึ่งวเวลาเจอหน้าคนจะทําไงสไมน์แอนด์สลาม ให้อัสลามวะเลยกุมแล้วก็ยิ้มก่อนแล้วก็ให้สลามที่หลังเหรอเห็ right, นไหนี่น้ําใช่ไหมน้าใจอ่ะโอ้น้ําใจพี่น้องใจดีใจสะอาดเห็นหน้าคนยิ้มก่อนที่จะอัสลามวะเลยกุมถ้าสามีเห็นหน้าภรรยาแล้วยิ้มก่อนภรรยาเห็นหน้าสามีแล้วยิ้มก่อนสดชืน่นไหมอัลลอฮ์ลูกเห็นหน้าพ่อยิ้มก่อนอัลลอฮ์พี่น้อง ตออิมามเห็นหน้ามาง ม, มทีมันยิ้มก่อนแล้วก็ส ล, มละมรัยกุมทีหลังมันชื่นใจไปหมดหมนะครับพี่น้องข้อที่สองให้เลี้ยงอาหารกันบ้าง <c oughs> เลี้ยอาหาเอาเราไม่แต่เลี้ยงเป็นพันเลี้ยงมาสามสี่คนเชิญอิมามข้อเต บ, บิลานอะคนจนๆก็ได้พี่น้องมาสา ม, มากินอาหารที่บ้านฉันกินอาหารเช้านี่ทำเลยเลี้ยงอาหารพี่น้อง ทำให้ใบหน้าสดชื่นและไปสวรรค์ด้วยพี่น้องแต่ต้องทำเพื่ออลลอ้นนะข้อที่สามพี่น้องติดต่อกับครือญาติผมย้ำเล้ว่าเครือญาติมีทัหายหนึ่งมีพ่อมีแม่มีลูกสาวมีลูกชายมีญาติพ่อญาติแม่พี่นออ้องเลาต้องติดต่อหมดนะลูกสะพายลูกเขยพ่อตายแม่ยายไปมาหาสู่กันถ้าพ่อตายแม่ตายก็เหลือแปดเลยพี่น้องถ้าพ่อพ่อตายแม่ยายตายก็เหลือหกพี่น้อง ก็นั้นมันก็ไม่เยอะไปน้องเนี่ยถ้าเราติดต่อกับคนใกล้ชิดอ๋อรออ๋ อ, อ, อให้ประกาศกับชีวิตให้ริสกีเพิ่มไปน้องและหน้าตาสงสายอลลรอพอใจแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อข้อที่สี่ไปน้องลุกขึ้นน้ำมาตะขัดยุตตองกันคืนไหวหรือไม่ไห ว, ไ ห, ว, ไ ห, วหนักนะคนที่ดูละครหมดสิทธนอนตหนึ่งหมดสิทธิ์ท่านคนที่นอนตามสุนทร น, นบี หลังนมาดอิชาแล้วก็รีบนอนจะได้ตื่นตอนตีสี่ครึ่งและได้นมาศตะหัยุดอัลทัมโดยเร็พไปน้องหน้าตาสดใสแล้วก็หัวใจสะอาดแล้วเป็นชาวสวรรค์ลองตายดูสิจะได้เมตฟอมยันนะที่นอนกับยันนะจากสวนสวรรค์าผากรฝันกับยุนนะและกินหอมจากสวนสวรรค์ไปน้องเห็ดอร่อไปน้องตาเนี่มันชื่นใจไปน้องอร่อยแบบ ถ้าไม่มีศาสนาแล้วตายอันตรายสุดๆนะพี่น้องทุงท่านพี่น้องครับคนกาเฟ่ตอยู่ในกุโบโบนรูบะมายาวัดดุลลาีนากาฟารุลาวกานูมุสลิมีนคนกาเฟ่ตนอนอยู่ในสุสานจะเป็นสุสานไหนก็ตามพี่น้องบนอย่างนี้อยู่บ่อยๆฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีไปบนในกูโบแกได้ไหม ได้ที่ไม่ได้ไม่ได้มุดสิทแก้ได้พี่น้องถ้าจะแก้ตรงนี้เนี่ยเอาเวลามาเรียนศาสนาพี่น้องให้กุศลศาสนาซะเรื่องเตาให้ต้องเข้าใจอย่าไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกช่วยไม่ได้พี่น้องนี่อลัลลอฮ์สอนยังไงนะอามันฮะดันละียัดรูกูกุมอินอัมสักลิสก์็รีสกีที่คุณได้รับเนี่ยถ้าอาลัลลอฮห้ยับยังไม่ให้ได้นะ่ะจะได้ไหมไม่ได้ เอาล่ Allah, แค่ป่วยเจ็ดวันนะ่ารู้เลยหมอสต๊อปอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้เอาล่ะเนี่ยเอาล่ Allah, Allah, ส่งหมอมายับยั่งอาหารพี่น้องแล้วคนที่เนี่ยสายอะสายสายสายเข้าไปในจมูกเ็นแล้วก็นึกเลยเนี่ยอเนี่ยเงินร้อยล้านนาธนาคารช่วยได้ไหมน่ะไวยได้พี่น้องเอาล่ะเอาไป ท่านครถ้าอัลลอฮฺยาบยั้งไม่ให้ริสกีไม่มีสิทธิ์ที่จะใครจะให้ได้ถ้าอัลลอฮฺจะให้ใครมายาบยั้งก็ไม่ได้นะครับเพียงเท่าไหร่บัลลัตยุวฟีอาตู้วินวฟูมีซิฟัดเลวๆอยู่สามข้อพี่น้องเนินดื้อรั้นลัตยุนแปลว่าดื้อรั้นอาตู้นแปลว่าขัดขืน แล้วก็หนูฟูรุนแปลว่าหานห่างสามรายการนี้เป็นสิทธิ์ของมุหมินไม่ได้พี่น้องคนกาเฟชฉะนั้นอย่าเอาสามลักษณะนี้มาใช้ในตัวเราหนึ่งดื้อรั้นต่อคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับอย่าทํำอัลลอฮ์สั่งอะไรทําเลยพี่น้องนะของที่อัลลอฮ์สั่งนี่ไม่ได้เรื่องยากพี่น้องไม่ได้เรื่องเรื่องเบาๆไม่เกินความสามารถพี่น้อง ให้อาบน้านํามาเก็บน้นำนมมาเท่าวันหนักไหมไม่นักให้ยิ้มหนักไหมไม่นักให้ติดต่อกับพ่อแม่หนักไหมไม่นักให้เลี้ยงอาหารมาต้องเลี้ยงเยอะเลี้ยงคนสองคนแต่เลี้ยงลูกเต้าของเราให้มีาศาสนาอันนี้สาคัญที่สุดนะครับพี่น้องแล้วก็ต่อมาครับขัดขืนข้อสองก็อย่าทำพี่น้องขัดขืนคําสั่งเอาล่ออย่าทำพี่น้องข้อที่สมก็หันห่างหันห่า ง, ห, ห, างหันหลัง นบีสอนอย่างนี้คุรานสอนอย่างนี้ว่ามันอาเราต่ออันซิกฤีใครที่หันหลังหันห่างให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ห่างศาสนาพี่น้องชีวิตของเขาจะลำบากนี่อัลลอฮ์พูดในกับพีร์ุรานครับลำบากบนบนดุนยาด้วยแล้วก็นอนอยู่ในกูโบก็ลำบากด้วยพี่น้องทีมั่งที่ที่พัฒนาการเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่มุสลิมพี่น้องเศรษฐกิจ การค่าขาดทุนค่าตัวเองค่าภรรยาลูกสาวอยู่สองคนห้าคนพี่น้องตายกันในบ้านหมดเลยเนะี่ยเขาคิดอะไรไม่ออกพี่น้องเวลาเจอปัญหาภาพตันคิดไม่ออกเป็นมุสลิมสิพี่นอ้องอ่านกุณอ่านสิคุณอ่านสอนอย่างนี้วัมายยตะติลละยะอัลลอห์มัคเรอจ่าใครที่อีหมานตออลอตักวาตออลอเขาจะมีทางออกเสมอ ตลอดเเรื่องทางตันไม่มีนะครับพี่น้องมั่นใจนะพี่น้องครับอยู่กับอัลลอฮ์เถอะหันมาห า, าศาสนาของอัลลอฮ์เอาสุนนะของท่านนาบีมามาปฏิบัติพี่น้องถ้านอนก็เหมือนกันนอนตามนาบีพี่น้องนอนยังไงครับพี่น้องนอนตะแคงขวาเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาอาลัลลอฮ์พี่น้อง ตอนจะนอนกับบิสมิกลลาหุมาอามูตัวอาฮัยนึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องพราะนาบีสอนให้อ่านตุอาบทนี้อย่าไปอ่านบทอื่นพี่น้องก่อนนอนอ่านน้านมามัดแปลงฟันก่อนนะอ่านน้านมาหมัดตะปัดที่นอนดึงที่นอนให้ตึงพี่น้องแล้วก็ยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุญลูกไปทั้งตัวนบีสอนนบีทำลูกนบีทำภรรยานาบีทำลูกสาวนาบีทำสาวบ้นานนบีทำเราก็ทํา เสร็จแล้วก็อ่านอะไรนะอัลลอฮุลลอฮิลลอฮุลฮายูลกัยยบอ่านอายะกรุสีพี่น้องก่อนนอนรู้ไหมคนที่อ่านอายะกรุสีอัลลอฮ์จะคุ้มครองบ้านของเขาและคุ้มครองเพื่อนบ้านอีกไม่รู้ว่ากี่หลังกี่หลังไม่รูบ้านโน้นอ่านบ้านโน้นอ่านอ่านกันทุกบ้านอัลลอฮ์กี่กี่ชั้นน่ะการคุ้มครองจะอัลลอฮ์มีอยู่หลายชั้นพี่น้องถ้าเราอ่านบ้านเดียวเราก็คุ้มครองในหลายบ้าน ถ้าทุกคนอ่านอัลลอฮฺพี่น้องครับนี่ไงอิสลามเียก้องหลานจะนั้นนึกถึงอัลลอฮฺแล้วก็อ่านเนี่ยสุรอตบรับารากิดละดีบียาดีฮิลมุลกวัหวหัวแหละคุณลิชัยอิงก็ดีพี่น้องอ่านสุร้อนี้นึกถึงความตายนึกถึงความตายพี่น้องคนนึกถึงความตายมันก็ได้เออลดละนอนจะได้รู้ขึ้นนมาแต่ฮัดยุดได้คืนนี้ใช่ไหม ออถ้าไม่นึกถึงความตายเลยเพ่อนก็คิดเออทำมาจะหาเงินเพิ่มหาตําแหน่งเพิ่มหาชื่อเสียงเพิ่มหาเกียรติเพิ่มก็ไม่ยุติีอย่างพี่น้องบนดุนยานี้นะเป็นตัวแทนของโลกดุนยาหนึ่งเงินสองเกียรติสตําแหน่งสี่ชื่อเสียงไม่ยุติีรายการเป็นตัวแทนของโลกดุนยาทั้งหมดที่ทะลาะกันวันนี้ใช่ไม่ใช่ คนต้องการตำแหน่งคนมาต้องการนู่นต้องการนี่พี่น้องต้องการชื่อเสียงต้องการเงินพี่น้องถ้าต้องการอัลลอฮ์อย่างเดียวนะทั้งสีได้หมดเลยถ้าเอาอัลลอฮ์อย่างเดียวฉันยึดอัลลอฮ์และรอซูล น, นะครับวัตถุชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งมันจะคลานมานี่นบีสอนนะใครที่รักอัลลอฮ์รักรอซูล รักแบบนบีมุฮัมมัดรักแบบซอฮา บ, บานาบีสีรายการนี้เงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศจะคาลานมาที่เท้าท่านยิบสิเจ็บตอนก้มอย่างเดียวพี่น้องแล้วก็ยิบไม่ต้องไปแสวงพี่น้องอัลลอฮ์ให้เลยแต่ให้ทํางานเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องฉันทําเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องครับเชื่อเถอะ ท้าวนบีมุฮัมมัดน่ะมีคนเสนอเงินเอาไหมไม่เอาเสนอผู้หญิงไม่เอาตำแหน่งไม่เอาชื่อเสียงไม่เอาเอาอะไรเอาการศาสนาเอาเผยแผ่ศาสนาเอาลอสอนให้คนได้ได้ได้ได้ได้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยกุ่มอ่านที่อาจารย์โรนี้จะสอนวันนี้ใช่ไหมอะไรนะอิจาจะอันนอสุรุลลอฮิวะลฟัดวะรออยตันนัสยาดฮุลูนฟีดินิลลาฮิอัฟวาจา นบีสอนศาสนาจนกรทั้งคนเข้าหาอลัลลอฮ์กันเต็มไปหมดครับพี่น้องนี่ที่อินเดียเข้าทั้งหมู่บ้านพี่น้องที่เมืองไทยเนี่ยอาจารย์บรรจงบินกาซันบอกว่าเข้ามาเป็นหมื่นแล้วดารงดาราเข้ามาหาอลัลลอฮ์กันหมดวันนี้พี่น้องทีนี้อลัลลอฮ์สอนนบีเมื่อเห็นคนมาหันสนใจอิสลามเพิ่มขึ้นกลัว น, นบีจะทําอะไ ร, รพิษ อัลลอฮ์สั่งฟาสบีฮ์มุฮัมมัดเอ๋ยจงสะดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์เยอะๆเห็นไหมกูว่าจะฉันแน่ฉันเก่งโอ้สามารถพูดคนฟังเป็นรอยๆรับอิสลามทีละหักคนสิบคนกลัวมันตะกบูตน่ะฟาซับีฮ์มุฮัมหมัดเอ๋ยสรรเสริญต่ออัลลอฮ์วัสตักฟิรฮหูแล้วก็จงขออภยัยโทษตอ่ออัลลอ์ อินหูกานาตาวะบะที่สิศักิของอัลลอฮ์ที่อธิบายให้นบีฟังนบีเอ้ยมุฮัมมัดเอ้ยงานศาสาศนาเป็นงานที่ดีที่สุดเผยแร่ไปเถอะอัลลอฮ์ดูแลอยู่เมื่อเห็นคนเข้ามาหาอัลลอฮ์เยอะๆทำไงฟัสบิหให้สารเสริญอัลลอฮ์วาสตักฟิรูให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ผมอำนำอาอาไปใช้ในห้องโรงพยาบาลตอนจะผ่าตัดก็ทุท่เท พาครั้งนี้จะรอดหรือไม่รอดตายหรือเปล่าไม่รู้วางยาสลบอันสลบเลยก็ได้อัสตฟิลลสตาฟิโลลโลสตฟิลลสตฟิล ล, อ, ล, ลอ่า น, ป น, นปเป็น้อยเป็นรอยหลบับจนกระทั่งหลับตื่นมาห้เ ล, ล, ล, ลป น, นเรากลัวกลัวว่าตายไม่มี إ ม م ا ن ฉะนั้นตายไปอีหมานดีไหม ตายมีอิมานดีกว่าครับขอทุกอาณต่อรอพี่น้องเช้าเ้าตอนเย็นนึกถึงอลัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้องนะแล้วก็สุบฮานอัลลอฮ์บิฮามดีบาอุลินหนักดาช่างสุบฮานอัลลอฮิลาอูดีบาอุลินหนักดาช่างอลัลลอฮ์พอใจอัสตักฟิรุลลอฉันขออภยัยโทษต่อรอก่อนจะจบพี่น้องภรรยาเนี่ยมีผู้หญิงโทรศัพท์มาถามปัญหาเยอะผู้หญิงมีอยู่ข้อหนึ่งนะ เช่นด่าสามีตัวเองแต่ที่เราเนี่ไม่มีทื่อื่นที่อื่นพวกเราไม่ด่าสามีบางคนบางคนชอบบ่นสามีใช่ไหมบังไปอย่างนั้นบังไปอย่างงี้อัลลอฮ์ไม่พอใจนะถ้าเตือนกันดบ่งที่ดา่าไอ้ด่านี่ไม่ดีพอตำหนิสามีด่าสามีเนี่ยนบีเห็นอัลลอฮ์ให้นบีเห็นนรกในนรกเนี่ยผู้หญิงเยอะซาบะถามาว่า ที่ผู้หญิงตกนรกสตรีตกทพ่อนางทรยศ ต, ต่ออัลลอหรือไปหาตัวตะเกียร์หรือบอกไม่ใช่นางมีอิมานตัวอัลลอดีแต่ว่านางเนี่ยชอบทะเลาะกับสามีชอบด่าสามีชอบตาหนิสามีพี่น้องแล้วทำไงแก้พี่น้องครับวิธีแก้มีมีสองข้อใครที่รู้ตัวว่าเกินเลยกับสามีให้ทำสองข้อพี่น้องนะทำวันนี้เลยนะ 1. น่งให้ว่าอย่างนี้อัสตักฟิรุลลอ ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอ์ต้องนึกมาช่างเล่นสามีไว้สิบนาทีอัสตาฟิลลูลอสตาฟิรลลูลเมื่อเดือนที่แล้วก็ชั่วโมงกว่าญาย่าเล่าผมฟังอ่ะพยายาที่ปลูกตอนทีสามขึ้นมาก็มาบ น, บนบนบนถึงถึงตีสี่ถาไม่ไหวก็หลับไป โอ้โหเก่งนะเอา้เอาเอาเชิญอัสตักฟิรุลอว่าคำนีเยอะอัสตักฟิรุลอัสตักฟิรุลอัสลแล้วก็ไงใช่ไหมให้บริจาคให้บริจาคทําบุญทําบุญทำสองอย่างนี้ลดบาปเห็นยังครับใครบอกอลรอบอกบอกผ่กกานจิบรินมามาบอกนบีนบีมาสอนต่อฉะนั้นไปนองครับถ้าทั้งหญิงผู้ชายถ้าทําอะไรผิดให้บริจาคเยอะๆกับทําอะไรนะ อัสต wow, ักรฟิรุลลอฮ์ว่าเป็นร้อยเลยพี่นาะคนออกกำลังกายมีบาะมีใช่ไหมชอบเดินว่าคำนี้อัสตักรฟิรุลลอฮ์ได้สามสี่พันนะพี่น้องนะอัสตักรฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักรแต่ต้องรู้ความหมายนะฉันขออภัยโทษต่ออัลลอ์ในความผิดที่ฉันได้ทำมาในอดีตซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมลิกะชอเลาอิลละอิลลาอันตะอัสตักฟิรุกาวะตูบุญไลค์บัสลามุอะลัยกุมะราะห์มุตุลลอฮ์ะบรกะต Bismillahirrahmanirrahim มีคําถามนะครับฝากถามมาว่าการที่ผู้รับอิสลามจะต้องตั้งชื่ออิสลามแล้วต่อท้ายคําว่าบินอับดุลล้อสิ่งนั้นนะมีหลักฐานจากนาบีหรืออย่างไร คำตอบไม่มีครับคือน บ, บีสอนอย่างนี้ท่านบปน้องมีลูกหรือมีหลานก็ต า, ามให้ตั้งชื่อดีๆน บ, บีก็เอ่ยชื่อไว้สองชื่ออับดุลลอหรืออับดุลรฮมานเป็นชื่อที่อ AH ัลลอฮ์ทรงพอใจแล้วก็เพออัลลอฮ์จะเรียกชื่อเราในวันเกียมาด้วยเนี่ยคนต้องมุรู้กี่พันล้านเนี่ยชื่อ ชื่อแมวลอมันสวยตรงไหนอ่ะมอยู่บ้านรำเพราะดีเลยนะพี่แมวพี่น้องอะไรกับพี่น้องแมวน้องอะไรเนี่ยมันเพราะมันเรานะแต่นบีห้ามแมให้ตั้งชื่อสัตว์ไม่ให้ตั้งชื่อผลไม้ชื่อ Apple. แอปเปิ้ลรอผมเคยเก็อยู่ครั้งหนึ่งน้องผมเนี่ยผมไปอยู่อินเดียหลายปีมีน้องเขาตั้งชื่อแอปเปิ้ลผมน่ะไม่รู้ พอกลับมาวันนั้นก็มีงานที่มัสยิดผมอยู่บนมัสยิดคุณแม่ถามว่าแอปเปิลมีไหมผมกำลองรู้ไม่มีมีแต่สับประรดน้ารพาก็ไม่ใช่น้องชื่อแอปเปิลว่าเอาไปตั้งชื่อทําไมแล้วแอปเปิลเปลี่ยนไหมก็ต้องเปลี่ยนกันพี่น้องยินจะไปตั้งชื่อผลไม้ตั้งชื่อแมวชื่อสัตว์แล้วนี่นก็เป็นแมวจริงๆเลยแต่ตั้งชื่อดีๆนะนบีไม่ได้กําหนดว่าเป็นมุสลิมแล้วนบีเปลี่ยนชื่อซาบ้าหลายคนนะ ถามว่าชื่ออะไรชื่อฮาซันฮาซันแปลว่าเสียใจยมีว่าเปลี่ยนเลยนะชื่อซะฮลแปลวะ่าง่ายนบีเปลี่ยนเลยถ้าใครชื่อไม่ดีให้เปลี่ยนเลยจากนั้นต่างการตั้งชื่อหนึ่งให้เอาชื่อของอัลลอฮ์มาเกี่ยวข้องเช่นอับดุลลอฮ์อับดุ ล, ดลรหามานเพราะสิ่ัตอัลลอฮ์มีเท่าไหร่นะเก้าสพนามเอาอับดุลลอฮ์ใส่ไปเลยอับดุลลอฮ์ อับดุลล์อับดุลราห์มานอับดราอูบอับดุลกอยุมอับดุลรเราแล้วก็ใส่ชื่อซีฟัรอัลลอฮ์ไปหรือไม่ก็ตั้งชื่อเป็นชื่อที่มีความหมายดีๆเรารู้ชื่อบันดานาบีหรือบรรดาอัลบะบาน า, าบีเป็นต้นนะครับครั บ, รบตกลงในวันกิยามะอัลลอฮ์จะเรียกชื่ อ, อภาษาอับดับใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ตกลงว่า มีลูกศิษย์ผมสี่คนนะครับที่ทำหน้าที่เ mm hmm. ผยแพผ่ศาสนาิสลามอยู่ที่ mm hmm. มว น, นิสันติชนอันนี้ผมก็ต้องถือว่าเป็นคอลิฟ้าของผมได้แม่จาน <c oughs> นะฮะสี่ท่านคือฮัดเยียรีแล้วก็ฮัดเยียสลบวันนี้มาด้วย <c oughs> ไปทำฮัตหมดแล้วนะแล้วก็ฮัดเยียสันมาสามคนเลยคนหนึ่งยังไม่มานะฮะอันนี้ที่ทาหน้าที่ตกลงว่า ต้องให้เรียกชื่อจริงหมดพยายามเน้นเขาอย่าให้เช็กเรียกชื่อเล่นกันนะฮะชื่อหน่อยไม่มีนะอ่าครับตอนนี้เดี๋ยวคําถามของใครมุสลิมมามีไหมตอนนี้คำถามของกูละอาจารย์จะให้อาจารย์ตอบคําว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตของเขาที่ถูกต้องยังไงที่เขาจะต้องมาเขารับศาลามแล้วนะ่ะว่าเขาจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างการยี่หัดคืออะไร แล้วเราได้ทรงตัดไว้เกี่ยวกับการ jihad นี่มีอะไรบ้างครับบิณฑบาตุลลอฮฺอันยุรรฮิมเป็น้องครับว่า jihad เนี่ยแปลว่าการเสียสละ jihad แปลว่าการต่อสู้นะครับการต่อสู้หรือว่า jihad นี่ยเป็น้องมีอยู่สี่รายการหนึ่ง j i h a กับตัวเอง ยิ่หัดก็ตัวเองต่อสู้กับตัวเองนะ่ยมันงานใหญ่นะต่อสู้กับสิ่งข้างนอกเนี่ยมันงานไม่หนักเท่าไหรนะ่แต่ต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองเนะี่ยมันใหญ่ที่สุดชะตันการต่อสู้ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้โมโหไม่ให้โกรธไม่ให้ผูกพยาบาดไม่ให้มีการแก้แค้นพี่น้องนี่เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากมีวันหนึ่งนะบีกับจับทําสงคราม สงครามครั้งนั้นมีสอบาเสียชีวิตหลายคนพอกลับมาถึงนครมาดินะนบีบอกว่ารดยานามินละจฮัดิลอัลกอรีอิลจีฮัดิลอัครบเราเนี่ยกลับมาจากสงครามเล็กๆมาสู่สงครามที่ใหญ่กว่าสอบาถามนบีว่าที่เราออกไปทางสงครามเพิ่งกลับมามีสอบาตายจังหลายคนนะั่นนบีมอไปสงครามเล็กหรอ พี่บอกก็ใช่สงครามที่ใหญ่ก็คือสงครามกับตัวเองนี่แหละวันนี้เรามีอารมณ์ถ้าเราเอาอารมณ์ใหญ่กว่าคําสั่งของอัลลอฮ์เราแพ้อารมณ์นอนกับอารมณ์นมาดยกตัวอย่างอารมณ์นอนว่า น, นอนอีกนิดเดี๋ยวตื่นตื่นอีทีหนึ่งแปดโมงไอ้ตอนตื่นน่ยเวลาซูบโบ่พอดีทีห้าครึ่งใช่ไหมหรือตีห้ากว่ากว่าหน่อยตื่นในเวลาซูบโบ่อยู่แล้วอ่ะ แต่ข อ, อนิดนึงไอ้ข อ, อนิดหนึ่งภาษาชทยตอนนี่งานพี่น้องอารมณ์อยากจะนอนกับอารมณ์นามาดเนี่ยอล๋อคนที่จะขึ้นมานมาสุโบได้เนี่ยต้องเยียบกี่อารมณ์อายมณ์อารมณ์พาหมอารมณ์ภรรยาอารมณ์ที่นอนโอ้โ ห, โหถ้าเหยียบอารมณ์ได้แล้วขึ้นมานมาคนนี้แหละเป็นคนที่ชนะจิฮัตต่ออารมณ์ของเขาเป็นคนที่น่ารัก พี่น้องครับการศึกษาหาความรู้นี่เป็นจีฮาร์ตนะการอดทนในการสแสวงหาความรู้เป็นจีฮารนะพี่น้องข้อที่3พี่น้องเมื่อได้เรียนรู้แล้วเอาไปบอกต่อนี่ก็เป็นจีฮารเหมือนกันครับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ข้อที่4ต้องอดทนพี่น้องอดทนในการสอนอดทนในการเรียนอดทนในการ เผยแร่ทั้งสีรายการนี้เป็นจีฮัตทั้งหมดแล้วก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในคัมภีร์อักุรอานอธิบายอย่างนี้ครับว่าฮิดูท่านทั้งหลายจงเสียสละท่านทั้งหลายจงต่อสู้ท่านทั้งหลายจงพยายามต่อสู้บีอัมวาลิกุมเอาเงินออกไปก่อนพี่น้องใครมีเงินบริจาคเงินไปน่าเป็นการจิฮาต แล้วก็ถ้าเงินไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมพออัมฟูซีกุมเอาทางกายออกออกไปอีกพี่น้องตัวร้องว่าเงินก็จ่ายร่างกายก็จ่ายอีกพี่น้องจนกระทั่งตายในสุนทานของอัลลอฮ์คนนี้ละคาริบะตาเฉยีดพี่น้องได้ไปสวรรค์เลยอัลลอฮ์พี่น้องตัว Allah, ร้องว่าถ้ามีเงินก็เอาเงินจ่ายไปก่อนเป็นการจีฮัดปกป้องาศาสนาของอัลลอฮ์เอาไว้ถ้าเงินไปแล้วไม่พอเอาร่างออกไปอีก จนกระทั่าทางตัวเองตายนี่แหละเป็นการจีฮารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอิมรนันอิมรันอยู่ก็วิ่งขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเขาเชิญอาจารย์เยซินขึ้นข้างบนตอบปัญหาด้วยกันเลยครับพออาจารย์วุฒิศาสจะได้ขับก่อนนะครับอาจารย์เยซินตอบปัญหาแทนผมไปเลยลไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เยซินก็ตอบนะฮะตอนนี้อ่ากูจะสรุปตรง น, นี้ให้อาจารย์ตกลงว่า <inadvert> การยิฮารตนี <Grand heit> <that> ่เราไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะใช่ไหมครับใช่ใช้ชีวิตของเราออกมาฮีสรอฟฮีอาซันฮีอาลีนะเรายีฮารตกันแล้วทุกวันอาทิตย์ที่สันทิชนนะอาจารย์เชนทังนี้ภรรยาบนนอดทนไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันยีฮาร์ตแครับอาจารย์อ่า อันนี้เราทําชิดมาแล้วนะครับอตอนนี้ให้อาจารย์จะศินตอบนะครับว่าที่อัลลอฮ์สุมาน์ดูตาลาทรงลงสู่เราตุนอันนัสรีมาเนี่ยอัอลลอฮ์มีมีจุดมุ่งหมายยังไงให้ท่านนาบีที่ประกาศศาสนาในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็นบีจะต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วก็สั่งไอซ่าให้ทําอะไรบ้าง ในช่วงสุดท้ายของท่านอับดุลเบิดครับอัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺบินยามดีที่ตถัมศัลิฮะตวัสลัตะวะสาลัมุละลัมละะนบิญะบะดาวะะละะลิฮิวะซัฮ์บียจมะอินอะลัลัตะลิคุมะรห์มะตุลลัฮิุบะรกาตุับทันจัมุสต พี่น้องมุสลิมมุสล่าที่มาร่วมฟังกันสดในที่นี้นะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านครับที่อยู่ตามศูนย์ทั่วประเทศนะครับทำใจแล้วครับที่อาจารย์ตร๊กกรีเกินเป็นคําถามให้เรานะครับผมถือว่ามันเป็นหนึ่งในคําถามที่ที่พลิกชีวิตเราได้เลยนะฮะส่วตุนอัสเรียนะฮะเอล็อตส์บาร์โอาประทานมากับเรานะเพื่อบอกกับเราครับว่าคนที่อยากจะประสบความสําเร็จคนที่อยากจะมีความผาสุก ทั้งดุนยาและอาคิรอนะฮะให้ยึดตามกรอบตามเค็สที่ไม่รับที่อยู่ในโซโลตอสทรีในโซโลตอสทรีนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะบอกกับเราในภาพรวมนะฮะหลักนั้นคือจะทําอะไรก็ตามที่อยากจะประสบความสําเร็จต้องรู้ก่อนฮนะต้องรู้ก่อนในสิ่งที่ในสิ่งที่เราทำถ้าทำนาก็ต้องรู้ใช่ไหมครับ ทำนาหว่านอย่างไรรู้ต้องรู้แบบลึกด้วยกว้างด้วยละเอียดด้วยนะครับเราอยากจะรู้เรื่องอิสลามเราก็ต้องรู้ลึกในอิสลามเราและรู้แบบรายละเอียดแบบกว้างด้วยอิสลามคืออะไรอีหมานคืออะไรอหสานคืออะไรนั้นรู้แล้วก็ต้องรู้ในสิ่งที่มันมันอะไรมันใช่ด้วยใช่ไหมนั้นปัจจุบันนี้องค์ความรู้เยอะนะครับข้อมูลนั้นอาจจะท่วมโลกเลยนะครับแต่เราต้องเรียกและในวันนี้เรียกดูข้อมูลอะไรที่มันใช่และเป็นประโยชน์สําหรับเราอย่างแท้จริงเลยนะครับนั้น รู้ก่อนครับ2รู้แล้วต้องนํามาปฏิบัติรู้แล้วไม่ทําเสียของเสียดายครับวันนี้ที่เรารู้อาจารย์มุสสาฟานําองค์ความรู้ที่มันเป็นความรู้ที่บอกว่าสุดยอดในชีวิตเราเลยแต่ถ้ารู้วันนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจในวันนี้แล้วไม่ทําอะไรเลยมันมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไร้ค่านั้นรู้แล้วต้องทำสองทาแล้วเมื่อดีแล้วนั้นต้องบอกต่อครับบอกต่อครับในสิ่งที่ดีต้องแชร์กันนั้นเฟซมีไลน์มีนะครับแชร์กันโพสต์คําคําพูดที่มันโดนจากอาจารย์มุสตาฟานะฮะ นั้นแชร์ในวันนี้แชร์กันในสิ่งที่ดีงามผมได้ยินคำพูดหลายหลา ย, หลายท่านนะครับบอกว่าสื่อไม่ใหม่นะครับในสื่อที่เป็นมันติมีเดียเป็นไลน์เป็นเฟซบุ๊กก็บอกว่าเป็นสื่อของของศัตรูอิสลาม มคิดว่ามันอยู่ที่เรานะครับมันเป็นเป็ น, ปนมิตรดาพนะครับถ้าเรามีอีห ม, มาและเรารู้จักใช้ไอสิ่งนี้มันเป็นย้อนสอนกลับไปสู่คนที่ทํารอิสลามได้ซ้าไปครับเอาโพสเอาไลน์เอามาแชร์ในสิ่งที่มันคนมีประโยชน์โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้บัลเลีู่กวะลาอัยตั น, นตรงจงแนะนําจากชั้นบอกต่อเพียงหนึ่งอายะก็จงบอกต่อไปเถิดหรือแปลง่ายๆครับ จงแชร์ตรงจงโพสต์แม้หนึ่งคำหนึ่งอายะห์หนดิสก็ตามครับก็จง ท, ทําเถิดมันจะมีประโยชน์กับเราแล้วก็4ในขณะที่เราแนะนําสิ่งดีๆนะฮะแน่นอนนะย่มีปัญหาอุปสรรคคนที่ไม่เห็นด้วยสุนนะของนบีนะครับคนนบีอยู่มักจะเอาเอาสิ่งดีมาบอกนะครับสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับเขาสิ่งที่พลิกชีวิตเขาได้ทั้งดุนยาและอะกิรัตตะคนมา ก, กานนั้ น, น, นเกลียดนบีและเป็นศัตรูกับนบีเลยเช่นเดียวกันครับคนที่บอกดีๆสิ่งดีๆนะฮะจำมุสตฟานะครับอยากจะพลิก นะพิกความเชื่ ب, พิกการกระทําของพี่น้องเราหลายคนก็เกียรติอาจารย์มุสตาฟานะครับนั้นถือว่าถ้าคนเกียรติก็แสดงว่ามันเหมือนกับสุ น, นัขของนบีนะครับที่คนเกียดเราทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกันทุกคนเลยนะครับการนำการการเปลี่ยนแปลงหรือคนจะกลัวการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงในคนกลัวกัน แ, แต่ทุกการเปลี่ยนทุกความดีงามนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับจากยุคญายริยา มาเป็นยุคอินมิยะยุคอีมานิยะก็ต้องปฏิวัติใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงต้องเจ็บแต่เจ็บแล้วมันคุ้มนะครับมันก็น่าเจ็บใช่ไหมครับนั้นคือภาพรวมครับส่วนอาญะเนี่ยเราก็รู้กันดีแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอย่างไรแต่ผมคมอยากจะให้มันเป็นผกความคิดว่าสี่ประการนี้เป็นหลักสําคัญของคนอยากจะประสบความสําเร็จทั้งดุนยาและอาเครอสแล้วก็บอกว่าเป็นเคล็ดที่ไม่รับนะครับตอนนี้อยากให้อาจารย์มุตาฟาได้กล่าวที่ ท่านน บ, บีโมมาซอลลส ล, ลามได้สั่งเสียกับท่านหญิงไอซาวไว้ว่าอย่างไรเลยครับว่าอาจารย์ว่าจจะได้สรุปเดี๋ยวอาจารย์เยสินจะได้สอนต่อเลยครับพี่น้องครับสิ่งที่นบีบอกกับภรรยาเนี่ยมีเยอะพี่น้องพี่น้องอย่าหมายความว่านาบีบอกภรรยาเฉพาะภรรยาอย่างเดียวที่จะต้องทำนะไม่ใช่ นะครับถ้าบอกกับภรรยาผู้หญิงทั่วโลกต้องทําเหมือนกับที่ท่านนาบีบอกกับภรรยานะครับท่านนาบีสอนภรรยานะครับสอนเนี่ยลหลายๆเรื่องโดยการเช่นให้อ่านสุบฮานัลลอฮฺว่ามีคำดีนะครับอัสตักรุลลอฮฺว่าอตูบุยไละนะครับเนี่ยนบีสอนภรรยาท่านจะเป็นภรรยาของใครก็ตามทั่วโลกนะครับก็เอาดูอาที่ท่านนาบีสอนนี่แหละเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันกล่าวว่าไงนะ Subhanallah wa bihamdihi, Astaghfirullah wa atubu toan, toan a t u b u i l a i h Rupa-berupa. Dua, nanti, tar, tar sujud, kah tar rukuah. Biniorang, kita pernah doa tar rukuah bagaimana? Subhanallah bi al a'zim. Subhanallah tar rukuah. Tar. Btw, tar sujud, Subhanallah bi al a'la. Kebetulan, ada doa lagi. Doa bagaimana? Subhanakallahumma rabbanah. วะบีฮัมดีกะอัลลอฮุมะกุฟิลีที่น้องนี่เป็นุอายขอตรงๆเป็นน้องชั้นคนที่มีบาปเยอะๆผมเนี่ยมีบาปเยอะผมก็ต้องอ่านถวาอตบทเนี้ยสุบฮานะกะลลอฮุมะรับบานาวะบิฮัมดีกะอัลลอฮุมะกุฟิลีแปลว่าอะไรมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์่าแต่พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเราและพร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์ ข้าแต่พระองค์โปรดได้ทรงอาภัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดทำไมเพราะเราเป็นคนบาปหนาอัลลอุมมักฟิสลีอัลลอ์จะอาภัยโทษให้ฉันด้วยเถิดเพราะฉันทำบาปเยอะรอเพื่อเข้าใจสุนนะไม่กี่วันนี้เองมื่อก่อนเนี่ยฝึกฝืนสุนนะานาบี ม, มาตลอดไปน้องยืนชีมาตั้งตลอดชีวิต วันนี้เพิ่งมานั่งชี่ตามซุนน่านาบีพี่น้องแล้วก็ต้องนึกเราเคยตําหนิภรรยาด่าภรรยาเงินไม่ให้บ้างมันผิดทั้งหมดน่ะแล้ววันนี้สํานึกตัวอัลลอฮฺอัสซาฟิลลอฮฺซุบฮานะกอัลลอฮฺอมารบบานาวะบีฮัมดิก็อัลลอฮฺอมารฟิลีนอกนามาดว่าได้ไหมได้แต่ว่าในนามาดน่ะดีเนี่ยนั่งรถกลับบ้านเนี่ยซุบฮานะกอัลลอฮฺอูมะ ว่ บ, บิฮัมบ سبحان ัลลอฮฺว่ บ, บิฮัมดีฮีอัสตะฟิรุลลอฮฺว่อะตูบุลลว่าได้ตลอดเวลาพีน่นะ้องนะก็ถามว่าดุงอาท์เหล่านี้เนี่ยหนักลิ้นไหมหนักหรือเบาเบาแล้วก็หนักอะไรนะหนักตาช่างแล้วก็ใครชอบเป็นที่รักยิ่งของอลัลลอฮฺพี่น้องแต่นั้นว่ายัางไงนะสุบานอัลลอฮว่า บ, บิฮัมดีฮี อัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตบุอิลพี่น้องว่าไปติดปากนะแล้วก็ตอนถวะตอนสุญูตอนรุกวัดด้วยนะอุบลฮ์นะกัลลอฮ์มะรับบะนะวะบิฮัมดิกะอัลลอฮมะฟิลีว่าสักสิบครั้งหรือ11ครั้งอัลลอฮ์ถ้าสามีอ่านดถอาบท น, นี้พระยาบนแน่เลยพี่อ่านุวาอะไรนสุญูตนาละเกิน ทั้งไงอ่ะสุบฮานะกรลอฮุมารบบานาวะบิฮัมดีกาอัลลอฮุมมักฟิลีหลังว่าสักเจ็ดครั้งพี่น้องมันก็หลายนาทีเราเคยว่าสุบฮานะรบพิยัลอาลาตัดบเดียวสามตขึ้นแล้ววันนี้ว่าเจ็ดครั้ง อ, อ่านต้นใหม่ยากว่าต้นเก่าอีก س ب ح ا ن ك ا ل ل ه a r อบบานะว่าบิฮัมดีกัลลอฮุมมฟิลีว่าสก้าครั้งนี้พามืนเลยอัลลอฮนมาตามพี่ไม่เอาช้าขอนมาตคนเดียวต่างคนต่างนมาก็เชิญตามสบายเพราะดวอาตมันยาวเกินไปครับครับครับครับ่านคปเลยนะฮะครับลลอัลฮมดุลอลลอครับครับละลาอัุมาอัลุลัยุม จะทำหมดก็ทำโดยเลือกครับตอนนี้อาจารย์ยาซีนสอนต่อแล้วนะเราดื่มน้ําชากาแฟแล้วกินขนมนะฮะมีหนังสือมาด้วยนะครับตอนขอเจนญครับอาจารย์ยาซีนครับอุษมิลัยรัลลอฮุมโตลาอัลลฮิมครับก็ขอกลับมาในฮะดิษครับฮะดิษที่ทรงคุณค่าฮะดีษที่เราได้ยินได้ฟังกันหลายครั้ง เปิดหนังสือส่วนใหญ่ก็เจอฮะดิษนี้นะครับไปฟังแปลที่ไหนส่วนใหญ่ก็เจอฮะดิษนี้แต่ถามว่าเราเข้าถึงแกนแท้จิตวิญญาณของฮะดิษนี้ไหมแต่ผมว่ามันเป็นประเด็นสําคัญเลยนะฮะผมสังเกตตัวผมแม้แต่ตัวผมเองสังเกตคนรอบข้างสังเกตสังคมสังเกตผู้นําสังเกตคนที่มีความรู้ส่วนใหญ่สังเกตความเป็นไปของสังคมในบ้านเราแล้วก็ในภาพ กว้างคือในโลกอิสลามเรานะครับผมพอที่จะโมนได้ประมวลได้ครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในในตัวเราในสังคมเราความท้อถอยของมุสลิมเราความอ่อนแอของมุสลิมเรานะครับหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้ก็มันเกี่ยวข้องกับฮะดิษนี่แหละครับเพาราะฮะดิษนี่เป็นหะดิษที่เป็นถือว่าเป็นเป็นครึ่งหนึ่งของอิบาดะเป็นครึ่งหนึ่งขององค์ความรู้ทั้งหมดเลย เพะฮะดิษที่เราเรียนกันอยู่เรื่องเราเรียนกันอยู่ในเรื่องของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเราจึงสังเกตเห็นว่าอะไรก็ตามครับที่มันมีความบริสุทธิ์มันมีมันมีราคานะครับทองคําบริสุทธิ์เพชร บ, บริสุทธิ์นะครับน้ําบริสุทธิ์แล้วก็ก็จะสังเกตครับน้ำเนี่ยถ้ามีสารปนเปื้อนตอนนี้ปนกันเยอะเลยใช่ไหมฮะน้ําในคลองตอนนี้ปนเยอะมากเลยจนถ้าว่าน้ําเสียเลยใช้ไม่ได้เลยแต่บางครั้งนี่มันอยู่ไกลๆอยู่ต้นน้ํามันก็ไม่ถ e ึงน้ําไม่ถึงเสียนะครับ แต่มันมีสารปลอมปนนะครับหมาน้ำเจ้าพยายเราอ่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันยังไม่ทันไม่ทันเสียนะครับแต่มันใกล้ๆจะเสียแล้วเพราะว่ามีสารปลอมปนเยอะของเสียเยอะนะฮะทให้คุณค่าน้อยลงปลากําลังจะตายนะครับเช่นเดียวกันครับเราเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งอามันอิบารดาที่เรากําลังทำกันนี้มันกําลังจะตายเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่า คำว่าอ e ิจฉารัชนั้นมันไม่เกิดขึ้นจริงถ้าหากว่าความอ e ิจฉารัความมีสุดใจมันเป็นเพียงแค่ลมปากมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้พี่น้องครับงนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญใช่ไหมครับความอ e ิ l a ารสิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราได้ความอ e ิ l a ารสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้เราได้ ความอิจลาสสร้างความอิ่มเอิบให้กับเราได้วันนี้เรามาเรียนหนังสือนะครับจิตวิญญาณของเรานั้นเพื่อเอาความรู้ไปสักการะอัลลอฮ์สิ่งที่เรารู้ในวันนี้เพื่อไปตอบโจทย์ในโลกอาคียะรอเราจะเดินทางมาอาจจะไกลนะครับอาจจะรถติดแต่พอเราได้มีจิตวิญญาณแบบนี้พี่น้องครับสิ่งที่เราได้รับออไปนั้นมันเป็นความความอิ่มเอิบใจใช่ไหมฮะนั่นคือความสําคัญของความอิจฉาความเป็นสนใจเนะี่ยทไม เราจะต้องพูดในเรื่องนี้พยายามไม่ไปบทไหนสัทีในบทแต่พูดแต่เรื่องนี้แหละนะผมว่าต้องพูดเลยฮะจำได้ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่5แล้วที่ผมพูดทีดิสนียนะครับแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ฮาดิสนียแล้วครับฮาดิสที่นบะีบอกกับเราว่าอินนัมอามาลูบินนียสอามานการปฏิบัติอิบาดะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา ว่าอินนาไมลือกุลลิมริอิมมาณวาแต่และคนจะได้รับตามเจตนาที่ตนเองได้เจตนาว่าเราเจตนาเพื่ออะไรเจตนาอยู่ในระดับใดเจตนาที่เราแสวงอาคีรอนนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเจตนาเรากี่เปอร์เซ็นต์เราก็ได้รับตามเจตนาอันนั้นแหะครับงั้นจะดีไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยฮะเราก็มาสร้างเจตนาเรานั้นมาฝึกมาหัด การตั้งเจตนาความอิคลสัสเราเน้นให้มันเข้มแข็งมันไม่ยากเกินไปสําหรับคนที่มีจิตวิญญาณที่มีอี إ ي ่านมีศรัทธากับอัลลอฮ์เข้าถึงกันแท้จิตวิญญาณคําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่ให้กับเราได้ครับนั้นลีกุน ล, ลิมริอิมมาแนวาแต่และคนจะได้รับตามสิ่งที่ตนเองได้ตั้งเจตนาเอาไว้คําำเนี้ยผมเคยได้อธิบายไปก่อนหน้าแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นเป็นคดีที่ไม่รับที่ที่นักวิจัยเขาศึกษากันโดยเฉพาะในโลกตะวันตกนะครับเขาค้นพบ นะครับว่าการที่มีเจตน า, นาแน่วแน่มีเป้าหมายชัดๆนะครับเสร็จแล้วไอ้สิ่งนี้มันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความหาัศจรรย์ที่มันดึงดูดเอาความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับเ้าได้การตั้งเจตนาชัดๆัดเห็นภาพชัดๆแล้วก็จะได้รับสิ่งนั้นอิสลามท่านโซลล์โซลล์โซลล์ไฮด์สัสสมบอกกับเราไว้แต่บางครั้งเนี่ยไอ้มุมมองที่มองไปถึงบางครั้งอาจจะประจิตประต่ อ, อ ก, กันไม่แต่ว่าให้เรารู้นะครับว่าฮะดิษนี้นั้นเป็นมันเป็นเป็นบานเป็นทะเลแห่งความรู้ นะครับแล้วแต่มุมที่เราไปจับมุมที่เราทําความเข้าใจมุมในนั้นที่ที่เราเริ่มเริ่มจะเห็นกันในปัจจุบันนี้หลังจากคนที่อ่านหนังสือในแนวนี้เ น, เนี่ยจะคนจะพบเยอะเลยนะครับอิน <BJ> น<ไ>่ามาหรือกุลลิมอรมมาเนว่าคุณคิดอะไรคุณได้อย่างนั้นไงไ่ายๆคุณคิดอย่างไรคุณได้อย่างนั้นคุณคิดว่าได้มันก็ได้คิดว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ oshing. อ่นั่นคือคุณคิดว่าสําเร็จมันก็สําเร็จคุณคิดว่าไม่สําเร็จก็ไม่สําเร็จ ตีไปมุมมองนี้เราก็จะชัดเลยนะครับเหมือนผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันหนึ่งในสิ่งที่พูดกันว่าปัจจัยของคนที่ประสบความสำเร็จที่ไม่จำกัดนะครับว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่ข้าเอาส่วนนี้ไปใช้กันคือการมีทัศนคติเชิงบวกการคิดบวกคือคิดว่าเป็นไปได้คิดในสิ่งที่ดีปัจจัยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยฮะมันไม่สาคัญ สิ่งที่สําคัญนันคือปฏิกิริยาหรือความคิดอารมณ์ที่เรารับกับสิ่งนั้นอันนี้ผมว่ามันใช่เลยนี่ยที่อิสลามสอนกับเรานะครับว่าสิ่งจริงๆแล้วนั้นมันอยู่ที่อยู่ที่การอิมานเรานะการอิมานเราทําไมล่ะครับท่านอุรุวะเบนซุเบสในขณะที่ลูกเสียชีวิตในขณะนั้นในขณะที่ตนเองตัดขาดูเหมือนว่ามันอยู่ในภาวะที่มันมันสุดๆแล้วในชีวิตใช่ไหมครัเป็นลบในชีวิต คนขับมีคนมาบอกข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตในขณะนั้นท่านกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละและท่านมองว่าไงฮะท่านมองว่าอัลลอฮ์ให้ลูกท่านมานั้นมากนะครับเพียงแค่อัลลอฮ์เอากลับไปเพียงแค่หนึ่งคนเหลือเหลืออีกทั้งสี่คนลูกชายมีสคนครับเอาไปคนหนึ่งเหลืออีก3คนอัลฮัมดูลิลละนั่นมันมันเห็นภาพชัดๆเลยใช่ไหมครับว่าการที่จะคิดแบบนี้ได้ ต้องใช่ครใช้พลังอีหมานคนที่เห็นอิหมานคิดเป็นบวกคิดในสิ่งที่มันมันบวกเราเปลี่ยนไม่ได้ครับโลกการสูญเสียที่เกิดขึ้นเราเปลี่ยนไม่ได้นะแต่เราเปลี่ยนในมุมที่เราความรู้สึกเราความคิดเราและปฏิกิริยาที่เราจะตอบรับต่อเหตุการณ์นั้นๆเราเราทำได้นั้นถ้าเรามีอีหมานซะอย่างเป็นองครับไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เรานั้นตอบให้เรานั้นมีปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติและเป็นปฏิกิริยาที่เป็นบวกเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลัง เพราะสิ่งนั้นเป็นผ ล, ลบุญนะเป็นผลตอบแทนในความดีงามจากรัสบาร์นัวตวาล่าานะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันผูกอยู่กับอะไรครับผูกอยู่กับการอ إ ي ่านการศรัทธาหรืออิสลามที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับนั้นเราเพียงแค่รู้ผิวเผินขนาดนี้เราพอที่จะรู้เลยไหมครับว่าอิสลามมันมีมีมีค่ามากคําว่าอิสลามไม่กินหมูนะีนั้นถ้าหากว่าเรามารณรงค์ว่าอัตลักษณ์เครื่องหมายของอิสลามที่แท้จริงคือเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่อิสลามไม่กินหมูอิสลามมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งมันไม่ใช่ แต่เรื่อง จ, งจริงๆคือเรื่องนี้จิตวิญญาณความสงบการเข้าถึงนะครับความความรู้สึกที่เป็นมิตรความรู้สึกที่เป็นบวกในชีวิตเราพลังแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีมีอัลลอฮ์มีพระเจ้าที่เรามีที่พักพิงมีที่พึ่งพิงครับแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวก็ตามปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเราแม้ว่าตอนนั้นครับเราขาดหมดทัดญาสนิทมิตรสหาหไม่มาดูเราไม่มาเห็นใจเรา สิ่งที่เราทำดีๆนั้นนะครับที่เราคิดว่าเป็นความดีแต่เขาไม่ชมเราไม่ตอบแทนเราปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไปครับถ้าเรามีความชัดเจนในเรื่องของอิสลามมีการเข้าใจอย่างแท้จริงมีการเข้าถึงอย่างแท้จริงในอิสลามที่ผมอบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับผมคาว่าใช้คำว่าการเข้าถึงการเข้าถึงจิตวิญญาณต้องใช้แบบนี้นะจิตวิญญาณ ผลึกที่แท้จริงของอิสลามเรามันอยู่ตรงนั้นพี่น้องครับมันไม่ใช่เป็นแค่เปลือกที่เราเห็นกันที่เราฟังกันมาอย่างเดียวแต่มันเป็นจิตวิญญาณที่มันสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นพลังในการต่อสู้ชีวิตเราผมคิดว่าพี่น้องหลายคนครับที่เขาค้นพบอิสลามหนึ่งในนั้นผมคิดว่าเขาค้นพบในสิ่งที่ใช่เลยนะฮะ โดยเฉพาะคนที่รับอิสลามนะครับศึกษาอิสลามและเขรับอิสลามด้วยกับจิตด้วยกับใจเขาแสดงว่านั่นใช่เลยฮะคุณได้ค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่คุณได้ค้นพบสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่คุณได้ค้นพบสิ่งที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจที่จะประเมินเป็นราคาได้เพราะคุณค้นพบอัลลอฮฺ คุณค้นพบอัลลอฮ์นั่นคือมไม่ถึงว่าคนมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณความความสบายใจความโล่งที่พึ่งที่พักพิงในในจิตวิญญาณของคุณในการใช้ชีวิตของคุณและมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ในเพียงแค่โลกนี้ใช่ไหมครับแต่ตอบโจทย์กับเรานั้นถึงโลกอเาเกโรเลยนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมครับที่มุสลิมเราบางคนก็มีมีมีอัลลอฮ์ Allah อยู่แล้วแต่การเข้าถึง การเข้าถึงอย่างชัดๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ที่หลายคนมีอัลลอฮ์มีพระเจ้ามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กรู้จักอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์แต่การเข้าถึงอย่างแท้จริงนั้นมันยังขาดไปในนี้ครับนั้นเพราะผมมั่นใจครับว่าถ้าคนเข้าถึงจริงๆและเชื่อมั่นอย่างแท้จริงคล้ายๆกับการเชื่อมั่นี إ ي م านของอัลลอฮ์บรรดาสุฮับะแตบีไอแตบีอินในยุคนั้นพี่น้องครับผมคิดว่ามุสลิมเราจะไม่อยู่ในสภาพปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน เขาเป็นยังไงกันล่ะครับบรรดาชาบ้านในยุคนั้นพอเขารู้อิสลารู้จักอัลลอฮ์แล้วเขามีความกระหายครับมีความปรารถนาที่จะที่จะอะไรแสวงหาความใกล้ชิดกับพระองค์ครับเป้าหมายของเขาที่มีอยู่นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ตอบโจทย์นับสู่เราคําว่านับสู่คืออารมณ์เราอย่างเดียวมันไม่ใช่แต่เป้าหมายที่เขามีอยู่นั้นตอบโจทย์ครับคืออัลลอฮ์แสวงหาความโปรดปรานจากอ AH. ัลลอฮ์นะครับสิ่งที่เขามีอยู่นั้น นะครับเขาถือว่าเป็นเครื่องมือที่เขาจะเข้าถึงอัลลอฮ์ที่เขาจะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่เขาจะได้สวรรค์ซึ่งมีความดีกว่ามีความสุขมากกว่าจีรันยั่งจีรังยั่งยืนกว่าเพราะมันเป็นเป็นอะฮะเป็นชีวิตที่อมตะเป็นชีวิตที่ถาวรที่นิรันดรในสวรรค์ในนั้นสุขกว่าดีกว่าเยี่ยมกว่ากับความสุขชั่วชั่วคู่ชั่วยามในชีวิตในดุนยาเหล่านี้ครับกับลูกกับภรรยากับบ้านกับรถ กับ iPhone กับ iPad พี่น้องครับมันเป็นความสุขที่มันเป็นความสุขที่ตอบโจทย์เก่าได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆผมใช้คําว่ามันเป็นความผาสุกเป็นความสุขแบบหยาบๆครับที่มันไม่เข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงต่างกันครับกับการที่เรามีความรู้สึกลึกๆในจิตวิญญาณเราที่เรามีอัลลอฮฺุบงประทานอัลลอฮลาวงเล็บครับอย่างแท้จริงเข้าถึงอย่างแท้จริงจิตวิญญาณในเรื่องนี้เราจะพบความสุขที่มันเป็นความหวานเป็นความหอมไม่เอาไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาแลกได้ นั้นมันจึงถือว่ามันเป็นประเด็นที่มันใช่เลยใช่ไหมฮะในอิสลามเราที่มีอยู่นะครับเอาทำเลยแล้วครับวันนี้ที่เรามากันได้ฟังอาจารย์มุสตาฟาไปและได้นําสิ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับซึ่งเป็นเกินๆนะครับทุกครั้งก็ต้องแตะไปในเรื่องนี้ครับเพราะผมอยากจะแตะเบรกชีวิตผมบ้างแตะเบรกพี่น้องบ้างครับในการในการใยในการฝักใ่ในการหลงอยู่กับโลกุญยาอันนี้มากจนเกินไป ครับทัสนาเราไม่ได้บอกว่าให้เรานั้นเข้าป่านะครับแล้วก็ทิ้งโลกทิ้งลูกทิ้งภรรยาไม่ใช่ครับแต่ทัศนาระบอกว่าความสมดุลมันมีความสําคัญฝากอาย่านี้ไว้นะครับมันเป็นกรอบมากเลยนะครับวะบุตรกีฟีมาอาตากวาหุดดาเราอาเคโรวาลาตันสะนาอุสีบก้มเนณดุนยาท่านทั้งหลายจงอาศัยดุนยานี้แสวงหาอาเคโรอีกครั้งหนึงนะครับ ท่านจองอาศัยดุนยานี้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาอาคีรอโดยที่ท่านอย่าลืมส่วนของท่านที่จะต้องใช้ในโลกดุนยานี้มันลงเลยอข้อนี้บอกกับเราชัดๆนะครับว่าเป้าหมายอันดับแรกสําคัญที่มันสําคัญมากที่สุดคืออาคเรอครับเพราะอาคีรอเนี่ยสุขมากกว่าเจรังยั่งยืนกว่าเป็นอมตะมากกว่านิจเนรันมากกว่านั้นจึงอาคีรอเป็นสวรรค์นะครับฟามันซูฮซีฮะอานินาร์ว่าอุดขีลันจันเนฟาคุฟาซ ใครก็ตามในวันอาเคียรอที่เขารอดพ้นจากลงนรกได้และเขาเข้าสวรรค์ได้มันถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่แม้ในดุนยานี้จะล้มเหลวจะพลาดหาความสําเร็จได้ยากมากเลยแต่ถ้าเขาชนะครั้งนั้นเป็นชนะครั้งแรกในชีวิตของเขาและเป็นชนะในโลกอาเคียรอผมบอกว่าโอโ้มันเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่องค์สุภานราตระบอกกับเราไว้นะครับว่าไม่มีอะไรที่จะมันเยี่ยมได้กว่าในในจุดนั้นเลยนะครับ ครับนั้นการที่เรานั้นมีเป้าหมายเพื่ออะเคียร์รอสแวงหาความปลดดภัยจากล็อกสุบภาในวาตาลามนั้นจึงถือว่าเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญที่เราตอบโจทย์ใ น, ใ น, ในการใช้ชีวิตเรานะครับเทียร์ยักวัดอ่ญญานในบางต้นนะครับท่านจงอาศัยใช้ดุนยานี้แสวงหาอะเคียร์รอนะครับคุณฮาซันคุณมุฮัมมัดนะครับไม่ได้มานั่งบนโต๊ะเหมือนผมนะครับแต่คุณฮาซันคุณมุฮัมมัดมีส่วนร่วมครับเก่งในเรื่องของไอทีทักษะในเรื่องของไอทีมาส่วนร่วมครับมา วางครับวางกล้องนะครับวางระบบในการถ่ายทอดในวันนี้นะครับกระจายไปตามศูนย์นะครับกระจายไปตามบันทึกไว้ใน YouTube ได้ผลบุญไม่ห่างกันไม่หนีกันครับผมนั่งอยู่บนนี้แต่ถ้านั่งอยู่ตรงนั้นจุดประสงค์เดียวกันคือตอบโจทย์ในเรื่องนี้อาศัยทักษะเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นะ S 1> <S 1> สแสวงหาความปวดปางจากอวโลกุปหานุตนาาได้มันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับนั้นผมอยากจะให้เรานั้นที่มีอยู่ในวันนี้ทุกคนมีอยู่ครับทุกคนมีทักษะครับมีความชํานาญมีความคิดมีความอ่านมีเครื่องมือบางคนก็มีทรัพย์บางคนบางคนก็มีมีเครื่องไม้เครื่องมือครับที่ตอบโจทย์ได้อาศัยสิ่งต่า ง, ง, งเหล่านี้ไปนะครับสแสวงหาความโปวดปางจากอวโลกนั้นเพียงแค่เราใส่แสแหวงหาอาเคยียร์ร้อนั้นคําว่าสแสวงหาอาเคยียร์ร้อกับคําว่าอิคลาส เป็นคําที่เป็นพี่น้องกันครับเป็นคําที่มีผมบอกว่าเป็นพี่น้องกันความหมายใกล้เคียงกันครับอิคารัสความเป็นสุดใจก็เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุอวาตาล ะ, สะแสวงหาอะคีระห์ก็คือสแสวงหาเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของสิ่งที่อรลลอฮ์จัดไว้ให้สิ่งที่เราทําไม่ได้ทําเพื่อใครจะมาชมใครจะมาให้เกียรติใครจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่สําคัญแต่สิ่งที่ฉันทําทําให้อัลลอฮ์ชอบโอ้ผมว่า อยากจะให้เป็นวัคทองนะครับหลายคนครับสิ่งที่ทําในวันนี้พูดในวันนี้ทําในวันนี้นะครับแคร์มนุษย์อยากจะให้คนชอบเราเคยคิดไหมครับว่าสิ่งที่เราทำต้องทาให้อวโลกชอบผมบางครั้งเนี่ยมันคิดนะฮะแต่ว่ามันมันไม่ชัดนะฮะแต่พอได้ได้ไ ด, ได้รู้สึกคํานี้ได้พบคำนี้ผมว่าโอ้โ oh, หมันใช่เลยฮนะทําไมเราไม่คิดแบบนี้ให้มันชัดๆัดสิ่งที่พูดสิ่งที่ทําสิ่งที่คิดสิ่งที่นึกในการ ก้าวเท้าเราแต่ละก้าวสิ่งที่เราทำลองคิดดูครับว่าสิ่งนี้ให้อัลลอฮ์ชอบให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์ชอบแทนคําว่าให้มนุษย์ชอบให้อัลลอฮ์ให้เกียรติแทนคําว่าให้มนุษย์ให้เกียรติให้อัลลอฮ์ตอบแทนให้มันชัดกว่าให้มนุษย์ตอบแทนผมว่ามันเป็นเป็นคำที่ใช่เลยนะผมว่านะฮะอยากจะให้ทุกอยากจะนําสิ่งนี้นั้นแชร์แล้วครับบอกกันไปแบ่งกันไปครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นคําเล็กๆแต่หลายคนลืมกันไปนะฮะเพราะคิดแต่ว่า แคมนุษย์เคยมีความรู้สึกว่าแคร์อัลลอฮ์มั้งไหมครับนั่นคําว่าแครแคอัลลอฮ์นั่นแหละคือความอิคลาสครับถ้าคําว่าแคมนุษย์นั่นแหละคือคำว่าริยะสิ่งที่มันตรงนข้ามกับคําว่าอิคลาสคําว่าคิดอย่างเดียวว่าให้มนุษย์ชอบนะครับนั่นคือให้มนุษย์ชมนั่นแหละคือความริยะครับสิ่งที่นบีบอกว่านบีกลัวยิ่งกว่ายิ่งกว่าดัชญานกลัวยิ่งกว่ากลัวยิ่งกว่าทุกความกลัวเลยนะครับ เปลี่ยนความคิดใหม่จะดีไหมครับสิ่งที่เราทำเนี่ยครับมันเป็นคุณค่ามันเป็นการลงทุนเราอยากจะให้สิ่งนี้อยู่กับเราสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีคุณค่าสิ่งนี้เพิ่มมูลค่ามันไม่มีอะไรที่จะแปลให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ครับนอกจากคําว่าให้อลลอฮ์ชอบให้อลลอฮ์พอพระไทยให้อลลอฮ์รักนะฮะนั้นผม ก, กว่ากว่าจะคิดคํานี้ไดนน้นานมากเลยฮะแต่พอคิดได้เนี่ยผมว่ามัน โอ้มันใช่เลยนะฮะมันใช่เลยครับว่ามันต้องเป็นคํานี้นะฮะทำไมเราเรารู้สึกช้าจังเลยฮะคํานี้มันน่าจะใช่มานานแล้วน่าจะรู้มานานน่าจะพูดคานี้ชัดๆมานานแล้วนะครับว่านสิ่งที่ทําสิ่งที่พูดนะฮะให้อลลอฮ์ชมเราเนีนั่นถ้าให้อลลอฮ์ชมนั่นจะพูดก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดในสิ่งที่ตนเองพร้อมที่จะพร้อมที่จะนะฮะพร้อมที่จะรับการสอบสวนจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่ทํำนะฮะคนทั้งโลกเลย สิ่งที่ทํานั้นคนทั้งโลกเลยไม่พอใจแม้ว่าคนทั้งโลกนั้นไม่ชอบคนทั้งโลกไม่พอใจแต่สิ่งนี้มันใช่คือสิ่งที่ลอสสุภภาวะทรงรักสิ่งนี้ใช่คือศาสนาแล้วเราจะแคร์ทาไมฮะมันเป็นแรงบันดาลใจแหละฮะแล้วมันเป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจของคนที่ทํางานศาสนาอะไรผมบ้านะ่ยฮะแน่นอนที่ผมเค ย, ส, ยตสตูดิโออัสเจจาร์โดร์กานี้ให้ช่วยแปลให้นะครับว่าคนทํางานศาสนาแน่นอนฮะในการพลิกนะครัในการปฏิวัติ ความคิดความเชื่อเดิมๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนฟอร์ตโซนใช่ไหมครับโซนที่อยู่แบบสบายๆนะแต่การที่จะเปลี่ยนได้อันนี้มันต้องใช้ใช้พลังและแน่นอนครับต้องได้รับการต้านทุกองค์กรที่จะปฏิวัติที่จะปฏิรูปนะครับต้องมีแรงต่อต้าน เช่นเดียวกันครับในเรื่องของอิมาเรื่องการศาสนานั้นมีแรงต่อต้านแล้วคนทำนะครับต้องอาศัยพลังอย่างมากเลยครับในการที่จะก้าวผ่านเรื่องนี้ให้ได้นะนั้นถ้าไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีแรงบันดาลใจนะครับก็แคร์กับมนุษย์นะครับคนเกียดคนว่าคนวิจารณ์คนคอมเมนต์นะอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นและหลายคนนั้นก้าวไม่ผ่านเคลที่ไม่รับครับเพียงแค่เราชัดๆในเรื่องความอิคารัส ชัดๆในสิ่ ง, งคาเล็กๆที่ผมฝากไว้นะครับแค่เอาลอให้อลลอชอบให้อลลอชมและสิ่งนี้ที่มันใช่สิ่งที่เราทำนั้นคือความถูกต้องความดีงามมนุษย์ทั้งโลกไม่รู้อัลลอฮ์รู้เพียงพระ อ, องค์เดียวมันจบแล้วมันพอแล้วคำนี้นะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าให้มันเกิดเป็นภึกอยู่ในจิตวิญญาณเราอย่างแท้จริงครับเป็นถึกอยู่ในจิตวิญญาณเราแล้วให ให้มีความรู้สึกว่าเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราสิ่งนี้มันกระโดดมาโดยอัตโนมัติครับโดยไม่ต้องอาศัยแรงฉุดอะไรให้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอ๋อมันจบนะถ้าหาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำแล้วเราชอบทาแล้วเราทรงรักทรงพอพระทยัยนะฮะนั้นก่อนจะเป็นคำนี้นะฮะผมผมพูดคำเล่าประวัติของท่านท่านอาบูบักนะฮะหลายครั้งใช่ไหมครับ ผมว่าคำเนี้ยโอ้โหมันใช่เลยนะที่ที่มันอธิบายคําว่าอกคลาสอย่างแท้จริงคําว่าอกคลาสที่คะแนนร้อนตะฮะมันต้องแบบนี้นะฮะต้องแบบนี้เลยอธิบายเป็นตัวอักษรเ น, นี้ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่อธิบายในเชิงของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นกับท่านอบูบักผมว่ามันใช่เลยขออนุญาตนํามาเล่าอีกครั้งหนึ่งครับท่านอบูบักครั้งหนึ่งท่านอยากจะทําทําบุญนะฮะอยากทําบุญท่านก็ไปทําบุญโดยการปล่อยทาตเพราะว่าได้บุญอย่างแรงนะฮะท่านก็ไปเลือกเอาทาต ถ้าที่เป็นคนคนชาราคนอ่อนแอก็ไปเลือกมาเพื่อจะปล่อยเป็นไทยผู้เป็นพ่อนะครับก็มีความคิดเหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับก็มาให้คําแนะนํากับลูกลูกลูกจะปล่อยท่านให้เป็นไทยทําไมลูกไม่ไปเลือกเอาคนที่มีร่างกายแข็งแรงล่ะเพื่อให้คนเหล่านั้นเมื่อเป็นไทยแล้วเขาจะมาประโยชน์ให้เอาประโยชน์มาให้กับลูกบางครั้งมาตอบแทนลูกบางครั้งเอาสินน้ําใจมาให้ลูกบางครั้งมาช่วยเหลือลูกได้ นะครับนั่นคือความคิดของคนทั่วไปใช่ไครับที่คิดเหมือนพ่อของอบูบักแต่คนที่คิดตรงกันข้ามคือคิดเหมือนอบูบักและได้รับความสำเร็จเหมือนอบูบักซาบา ท, ทั้งหมดคับหลายหมื่นคนไม่มีความไม่มีใครที่ได้รับความสำเร็จเท่ากับอบูบักเพราะอบูบักมีสิ่งนี้ที่ผมกาลังจะบอกนะครับเป็นวักทองที่อบูบักบอกกับพ่อครับพ่อครับสิ่งที่ลูกทาไม่ได้ทาเพื่อใครมาตอบแทน ไม่ได้ทำเพื่อใครจะมาชมจะสรรเสริญได้ผลประโยชน์ง่ายๆแต่สิ่งที่ลูกทำหรือมรดอตินละทำเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำให้อัลลอ์ชอบทำให้อัลลอ์รักทำให้ได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่เพราะมันต่างกันครับถ้าที่มีร่างกายกำยำกับ ทาาที่ไม่สามารถที่มาให้ประโยชน์อะไรกับเราได้นั่นเป็นความอิจฉาสที่มันชัดนะครับว่าไม่ต้องการอบุบัรไม่ต้องการว่าให้ทาาเหล่านั้นมาให้ประโยชน์มาขอบคุณมาให้ประโยชน์มาช่วยเหลืออะไรไม่ต้องการแต่สิ่งที่อบุบัคชัดชัดร้อยเซ็น์นั้นดีมรรดอตินละให้อัลลอฮ์ชอบให้อัลลอฮ์ชมถามว่าเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับครับ ก็ไม่ได้ต้องการให้ให้คนชมนะฮะเตือนเวลาละมานะครับนะฮะนั่นคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่เล่าสู่คนฟังแล้วคิดว่ามันมันเป็นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันใช่เลยนะในเรื่องของศาสนาวันนี้ที่เราเก้าวกันไม่ไปถึงไหนทั้งชีวิตเราทั้งความรู้สึ ก, กเรานะครับทั้งสังคมในภาพรวมก็เพราะมันไม่สามารถเทียเก้าวเผ่านตัวนี้ได้คาว่าเกียรติคาว่าศักดิ์ศรีคาว่าคาชมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ที่ที่นักจิตวิทยาเขาบอกว่ามันเป็นความต้องการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่เอาล้าให้สิ่งนี้มาเพื่ออะไรฮะให้นับสูให้ความสิ่งที่สิ่งที่ถือว่ามันมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความต้องการของมนุษย์มานะเพื่อให้เราเอาชนะครับเพราะชนะและได้รางวัลใน hadis ติงเกลครับฮุสตินย็นนะตูบินมาเก้รสวรรค์ถูกค้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่จะต้องฝืนใจ วัคัฟตินนรกวิชาหวัตนรกถูกคล้อมล้อมไปด้วยชาหวัตอารมณ์ไฟต่ําความสบายความรู้สึกที่ที่ที่อะไรที่อยากจะตอบสนองกับความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปนั้นท่านในบุบักฝืนใช่ไหมฝืนคําพูดของพ่อและสิ่งที่ฝืนสิ่งที่ทํานั้นมันคุ้มค่าไหมครับโอ้มันคุ้มค่ามากครับจนถ้าหยักตัวอ่านลงมาในเรื่องนี้ครับกล่าวถึงเล่าถึงถึงประวัติ ในคําพูดของท่านอุบักนี้ว่ามาลีอัฮะดีนอินเดห์มินยะมะจินตุจจาอิลลาบะถูกะอัลลอฮฺรับบิฮิลอาลาสิ่งที่เขาทํานั้นเขาไม่ได้ทําเพื่อตอบแทนใครไม่ได้ทําเพื่อให้ใครมาตอบแทนแต่สิ่งที่ทํานั้นเพื่อให้อัลลอฮ์ชอบเพื่อให้อัลลอฮ์ชมนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นมันเป็นคําอธิบายคําว่าอคลาสได้อย่างตรงไปตรงมาและเห็นภาพชัดเจนครับนั้นลองเอากรณีนี้มาจับครับมาจับกับภาพที่เราทําความดี สิ่งที่มันจะชัดมากที่สุดคือในขณะที่เราทำศรักระเพรว่าเป็นภาพที่ชัดนะฮะเรื่องละหมาดบางครั้งก็อาจจะชัดแต่มันไม่ไม่ชัดเท่ากับการทำศรักระการทําทานการทำศรักระนี่สิ่งที่เราทําทําเพื่ออะไรเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นหวงแหนแล้วก็รักในระดับต้ตนๆเนกันในวันนี้ทะเลาะกันในวันนี้ก็เพราะเงินฮะทรัพย์อยาก อยากจะแข่งกันซับให้ได้เยอะๆเงินได้เยอะๆนะครับเพราะคิดว่าเงินนั้นมันเป็นปัจจัยเป็นสื่อที่ซื้ออะไรได้หลายอย่างจนกระทั่งมันเลยเถิดเป็ทั้งว่ามีคําว่าเงินคือพระเจ้าอันนั้นเป็นคําที่มันมันน่ารังเกียจมากที่สุดสําหรับคนที่เป็นมุสลิมนะฮะไม่ใช่นะฮะนั้นสิ่งที่เรามีคือสิ่งที่เรามีคือสิ่งที่เรานั้นสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์มันมีค่ามากกว่าเงินมีค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สามารถที่จะพิกสิ่งเล็กๆที่บางครั้งที่ทำนั้นสามารถทำให้เรานั้นเข้าสวรรค์ได้บางครั้งเนี่ยฮะอินพารามเพียงแค่ครึ่งเสี่ยวในการทำศรรก็สามารถพลิกชีวิตให้เราเข้าสวรรค์ได้บางครั้งเราอาจจะพลาดในชีวิตเราแต่บางครั้งทำความดีเล็กๆที่ใส่ความอิคลาสไปอย่างเต็มๆโอ้หมันจะพลิกพลิกชีวิตเราได้โดยเฉพาะพลิกชีวิตในโลกอาเกียร์เราเราได้เลยนั้นในะดิษ ใน บ, บิดุงกล่าวครับอิตตกุลวะฮะว่าเราบีชิกิตัมรติณจงทาซะแล้วก็จงทาําทานเถิดแม้เพียงเล็กน้อยเท่าอินพะรมเพียงครึ่งซีกเมื่อมีโอกาสก็จงทําเถิดแต่ไอควาว่าครึ่งซีกหรือเล็กน้อยเนี่ยฮะที่มันจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงคือคำ ว, ว่าใส่ความอิครัสเข้าไปใส่ความมานสุดไปครับเรามีน้อยเราทาน้อยแต่ใส่ความอิครัสเยอะโอ้หมันสุดยอด เราอาจจะทําบุญเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทแต่ทํานั้นเพื่อแสวงหาความปโปรดปานจากอัลลอฮฺไม่ได้ทําเพื่อให้ใครมาชมเศรษฐีทำบุญหนึ่งล้านบาทนะครับแต่ทําเพื่อให้คนประกาศนาะยยกย่องสรรเสริญครับพี่น้องครับมันมีค่าไม่เท่ากับหนึ่งร้อยบาทที่เราทําเห็นความแตกต่างหรือยังครับว่าความอิคลาสส่งคุณค่าอย่างแท้จริงแล้วทาไมละครับวันนี้เราจรึงถือว่าเราพูดกันน้อยลงนะครับแล้วก็เราทํากันน้อยลงมากในเรื่องความอิคลาสนะครับเป็นสิ่งที่ ที่ที่ที่เราขาดการเอาใจใส่ยอย่างแท้จริงผมว่ามันเป็นวาระของสังคมมุสลิมเราได้ซ้ําไปครที่จะต้องพูดความอ e ิคลาสและเฉพาะการฝึกในเรื่องความอ e ิคลาสนะครับฝึกต้องฝึกนะครับความอ e ิคลาสเพราะเรื่องนี้มันต้องฝืนเพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับมีมีความคิดมีทัศนคติเหมือนกับพ่อของอบูบักนะครับที่บอกว่าลูกไม่จะทําความดีจะทํา แต่ปล่อยถ้าทําไมไม่ไปเลือกคนที่มีร่างกายอ่อนแอละ่ะเพื่อที่จะได้ทําไมไม่ไปเลือกคนที่มีร่างกายแข็งแรงละ่ะเพื่อจะได้มาตอบแทนลูกจะคิดแบบนี้ใช่ไหมครับคิดเอาคืนกันนะครับคิดเอากลับกันจะทําบุญอ evet. ันนี้วันนี้ใส่ซองนะครับไปทําบุญงานแต่งงานนะครับก็คิดว่าเป็นการภาษาคนแถวบ้านผมเรียกว่าเป็นการเต้ย ก, กันนะครับคือเป็นการเป็นการแชร์กันนะครับวันนี้ผมให้คุณวันหน้าคุณต้องให้ผมนะครับ ลองเปลี่ยนใหม่สิครับเปลี่ยนว่าสิ่งที่เราทำจะไม่ต้องการหวังคืนฮะสิ่งวันนี้ที่เราทําไปนะฮะจะน้อยจะมากตามกําลังฮะเอาว่าไม่ได้ดูจํานวนฮะแต่เอาว่าดูที่คุณค่าที่ผมเคยบอกนะครับเงินหนึ่งร้อยสำหรับเศรษฐีอาจจะเล็กเศษเงินนะครับแต่เงินหนึ่งร้อยสำหรับคนขอทานมันมีค่ามากครับนั้นเอาว่าไม่ได้ดูครับว่าน้อยมากแต่ดูที่คุณค่าในวันนั้นวันนั้นเราฐานะมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วเราทำใช้ไปเท่าไหร่คิดคิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากสิ่งที่เรามีอยู่ ง่ายๆนะครับจะราจะตอบแทนเราดังนั้นสิ่งที่เราทำนะครับจะเล็กจะน้อยจะทะําก็พยายามทําตามกําลังความสามารถเราและใส่ความอ e ิคลาสไปในความอ e ิคลาสมันจะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าโอ้มันเป็นสุดยอดใครก็ตามครับที่สะกดคําว่าอ e ิคลาสอย่างแท้จริงเข้าถึงแก่นแท้จิตวิญญาณของความอ e ิคลาสอย่างแท้จริงผมคิดว่าเขาได้สิ่งที่มันสรงคุณค่าในชีวิตของเขาสิ่งที่ไม่มีเงินเป็นแสนล้าน ล้านๆ น, นะครับมันไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะสิ่งนี้มันแลกกับสวรรค์ได้ในฮะดิสซิบจัง ก, ก, กล่าวครับอัลลอินนัซิลอัลตุมลอฮิรยีสินค้าของอัลลอฮ์รางวัลของอัลลอฮ์นั้นแพงนะครับเป็นของแพงนะของห้างนะไม่ใช่แบกกระดินนะอัลลอินนัซิลอัลตมลอฮิอัจญ์นะสวรรค์สินค้าของอัลลอฮ์นั้นเทือสวรรค์นั้นเราแลกสิ่งที่มีอยู่ในอัลลอฮ์นั้นเทือสวรรค์สวรรค์นั้น จะทำมันเป็นเล่นๆไม่ได้พี่น้องครับทำแบบชิวๆแล้วก็ได้สวรรค์มันไม่ใช่แต่สวรรค์นั้นวัตวาโซเบลฮักวัตวาโซเบสซอบครับต้องรณรงค์กันสังเกตการ์นเตือนกันนะครับให้ให้ค้นพบสัจธรรมในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องต้องทำพี่น้องครับการที่เราจะแบเบร ก, กนับสู่เราได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะนับสู่ที่คนทั่วๆไปในปัจจุบันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติ ใครบ้างที่ที่ไม่ที่ไม่ดินทาใครที่ตรงไปตรงมาใครที่ใครที่สะอาดปัจจุบันนี้ผมสังเกตว่าคนเหล่านั้นมันจะกลายเป็นคนผิดเป็นคนผิดปกติไปแล้วสังเกตง่ายๆครับเจอคนคนที่เจอเงินนะครับเสร็จแล้วเอามงาคืนถือว่าเป็นเรื่องแปลกไปแล้วนะฮะแม้แต่ในในในวงการอิสลามเราก็เช่นเดียวกันฮะ คนที่เจอเงินแล้วก็เอามาคืนถือเป็นเรื่องแปลกทั้งที่เรื่องนี้อิสลามบอกว่ามันเป็นเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่มุสลิมจะต้องมีมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรแต่มันเรื่องแปลกก็เพราะว่าเราไม่เคยได้ทำกันจึงถือว่าเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับดันการที่คิดดีทดําดีคนที่ตรงไปตรงมานะครับจึงถือว่าเป็นคนแปลกในปัจจุบันนี้จะขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนแปลกแปกครับฟะฮุสนาลูอุรรบะคนแปลกแปกแบบนี้แหละครับที่ ที่เขาได้รับความดีคนคิดต่างแบบนี้แหละที่เป็นคิดต่างที่ถูกต้องทับต่างกับความคิดของคนทั่วๆไปคําว่าคิดต่างที่ที่ว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ที่องค์กรอยากจะได้คนแบบนี้เราะเป็นการคิดต่างที่สามารถมันพลิกอะไรได้งนั้นเพียงแค่เราเอาคิดต่างมาใช้ในหลักการศาสนาเรามันมันเป็นภาพเช่นเดียวกันเลยครับผมว่าในปัจจุบันนี้ต้องคิดต่างกืบทั้งหมดเลยนะฮะหลักคิดของอิสลามเราคิดทางของมุสลิมเราในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่เราจะคิดไม่ต่างไม่ต่างกับาศาสนิกอื่นใช่ไหมฮะทั้งที่เรานั้นมีแนวคิดในเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องพระเจ้าองค์เดียวเรื่องการตอบแทนจากอัลลอฮ์เป็นจุดแข็งของเราอย่างชัดๆแต่เราไม่เคยได้คิดเราจะก็ปล่อยไปตามตามกระแสกับตามกระแสที่มีอยู่โดยทั่วๆไปใช่ไหมฮะนั้นเพียงแค่เรากลับมาต้องช่วยกันกลับมากลับมาว่าต้องคิดต่าง ใน ป, ite, ปัจจุบันนี้เราต้องคิดต่างคิดต่างแบบที่เรามีกรอบนะครับเป็นนวัตรกรรมที่เรามีกรอบต่อยอดครับจากสิ่งที่เรามีอยู่เป็นองค์ความรู้เป็นอิมาเป็นการศรัทธาเราก็คิดต่างจากคนทั่ ว, วไปแลคนที่เขาคนทั่วๆไปว่าจะต้องยื่นหมูยื่นแมวนะครับต้องมีการแลกเปลี่ยนกันง่ายๆนะฮะปัจจุบันนี้เราต้องคิดแบบว่ามันไม่ใช่ไอ้แลกเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนเป็นผลบุญได้ไหมที่เราได้รับจากเอาล็อกสุภาหาหนัวตลาจากเงิน นะครับและเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นผลบุญดีกว่าแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกินเกินไว้แต่ว่ามันเป็นเกินที่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมครับว่าอยากจะฝากไว้นะครับสรุปแล้วผมอยากจะเสื่อครับว่าคําว่าแคร์เอาล่ะผมว่ามันต้องสะกดให้ชัดเลยฮะทำเราแคร์เอาล่ะนะไอ้คาพูดการกระทําเรานั้นแคร์เอาล่ะวันนี้สิ่งที่เราแต่งตัวสวยๆในที่เราพูดดีๆที่เราโพสต์นะครับข้อความถามว่าสิ่งทํานี้นั้นเอาล่ะชอบไหม อัลลอฮ์รักไหมไอ้สิ่งที่ที่เราปฏิบัติในวันนี้มันตอบโจทย์ได้ไหมครับว่าทําเพื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบแทนคําว่ามนุษย์ชอบนั่นแหละผมอยากจะเน้นย้ําคํานี้ครับทั้งหมดเลยอยากจะให้มันตกผลึกอยู่คํานี้อยากจะฝากไวอ้อย่างแท้จริงเลยครับว่าคําว่า Allah, อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ชอบให้อัลลอฮ์ชมนะครับฝากไว้ครับให้มันอยู่ในจิตสํานึกให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับนั่นแหละ คือคาว่าใช่อย่างแท้จริงเลยคำว่าอีคลาสที่เราเั้นสะกดกันเป็นนะครับนะครับกลับมาในเรื่องนี้นะฮะเรื่องดษในเรื่องนี้นะครับดิษที่ผมบอกว่ามันเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับเรื่องใหญ่ผมอธิบายมามากเลยนะครับแต่ครับผมบรรยายอยู่นะครับนะเพียงแค่เราใส่ใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กลับมาในเรื่องนี้ขออนุญาตินะฮะครับ ในเรื่องความอ e ิคลาสนะถ้าพูดทั้งวันก็พูดได้นะฮะเรื่องนี้นะฮะไม่จบนะฮะเพราะว่ามันเป็นบ้าเป็นทะเลนะครับในเรื่องนี้ที่มันต่อยอดไปได้ทุกเรื่องในะทุกมิติเลยะฮะเพราะมันเป็นเครื่องหนึ่งฮะดิสนี้ที่บรรดาอุลามะบอกว่าเป็นเครื่งหนึ่งของศาสนาอามาร์อิบาระที่เราจะรับนอกจากถูกต้องแล้วต้องอ e ิคลาสด้วยใช่ไหมฮะไอถูกต้องโอเคหนึ่งในครึ่งอีกครึ่งหนึ่งค e ือความอิคลาสความเป็นศูนย์ใจนะครับ อินนามะลิกุิมริอิมมาหน่าวแต่ะคนจะได้รับตามสิ่งที่ตนเองได้ตั้งเจตนาเอาไว้โอ้สาคัญเลยฟามังกานะฮิจรตุหอิลลอฮวารุลีฮฟฮิจรตุอิลลอฮวรสูลีผู้ใดก็ตามที่การอพยพของเขาพั่อัลลอ์และรอซูลผู้นั้นการอพยพของเขาก็ไปถึงอัลลอ์และรอซูล คำว่าอุปยบบางทีเราจะเข้าใจ ย, ยากนะครับคำว่าเป้าหมายแปลว่าเป้าหมายดีกว่านะฮะผู้ใดก็ตามครับที่เป้าหมายการ ก, กระทําของเขานั้นเพื่ออัลลอฮฺและรอซูลเขาก็จะได้รับผลบุญเขาก็จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลฮ์วะมันกาฮ์นฮิญรัตุฮูริดุนยาอุดซิบุฮาและใครก็ตามที่เป้าหมายของเขาเพื่อทางโลกไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์เพื่อทางโลกนี่เพื่อดุนยาเขาก็จะได้รับเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะเดี๋ยวมีรายละเอียดว่ารับอย่างไร เอาอิมรออัตเยนเกฮหฮาหรือเขาอพยพเป้าหมายของเขาที่ทานั้นทาเพื่ออพยพไปนั้นเพื่อนิกาเพื่อแต่งงานเขาก็จะได้แต่งงานแต่ผลบุญได้ไหมครับไม่ได้นะฮะนั้นคาว่าฟมันกนั่นคือลล ฮ, ฮ, ฮิจรัตุอิลลอฮิวรลซูลฮิฟะฮิจรตุหุอิลลอฮิวรลซูลมันเหมือนกับอายะอัลกุราอนานอายันนี้ครับว่ามันกานะยุริดละมันกานะยุริด ว่ามันอรดรอว่ามอารดัลอาเครหาซาอวาหัวมุขมินฟูลุุมสกรใครก็ตามครับที่เป้าหมายของเขานั้นเพื่ออาเคระห์สิ่งที่เขาทาในวันนี้เพื่ออาเคระห์ตอบโจทย์โจ์นิดเดียวคืออาเคระห์ไม่ได้คนมาชมไม่ได้ใครมาสรรเสริญไม่ได้ใครมาเยือนยาไม่ได้ใครมาเพื่อผลประโยชน์จะจุดหมยร้อในจิตใจของเขานั้นเพื่ออาเคระห์เพื่อสวรรค์ เพื่อแสดงความผประโยนจะเอาล่ะโดยที่เขามีการศรัทธาตั้งใจแล้วเขามีความพยายามมีความเพียร น, นะครับต้องลงทุนตั้งใจแล้วต้องทำด้วยนะครับว่าสะอาดและสะยายนะฮาเนี่ยตั้งใจแล้วต้องต้องลงทุนต้องพยายามในเรื่องนี้โดยนี้โดยที่มีการศรัทธาฟ า, อ, าอุลักากรเนาะยมชกุรอเขาเหล่านั้นการภาคเพียรของเขาการลงทุนของเขานั้นได้รับการชมเชยจากอัลลอฮ์นั้นคนที่อัลลอฮ์ชมนะครับ อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มความดีให้กับเขาอบดุลบาคอัลลอฮ์ชมแน่นอนครับถามว่าอับดุลบาคลำบากในชีวิตไหมครับอบดุลบาคไม่เคยลําบากเลยนะครับอบดุลบาคที่หมดไปอัลลอฮ์ใช้ให้คืนใช้ให้มากกว่าสิ่งที่อบดุลบาคตักไปเป็นพั่วนะครับพั่เล็กๆแต่อัลลอฮ์ตักกลับคืนมาอบดุลบาคนั้นเป็นพั่วเช่นเดียวกันแต่เป็นพั่วที่มันใหญ่กว่าคือมากกว่านะครับทั้งหมดเลยให้ให้กับอบดุลบาคทั้งเกียรติตั้งแต่งทรัพย์ทั้งหมดเลยนั้นเรื่องนี้เนี่ัดบบคคิ มันคิดเพื่ออัลเลอระนะครับพิดไปข้างหน้าแต่อัลเลอร์นั้นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นมานั้นผมก็เลยจะบอกนะครับว่าสรุปในวันนี้แลยมันมีคําถามเยอะแล้วแบบนั้นมันได้ไหมไปทําไปกินบุญแลเนียดไหมไปทํากินบุญไปร่วมงานไปซื้อข้าวแล้วมันแล้วเสร็จแล้วไปซื้อข้าวไปในงานด้วยแล้วก็เราจะได้บุญไหมเนียดว่าได้ได้บุญเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่วันนี้เวลาไม่พอนะครับขออนุญาตว่า อาทิตย์หน้าต่อไปครับจะนําเสนอเป็นรายละเอียดเลยครับว่าแบบไหนที่มันอิคราสแบบแบบนี้ใช่นะแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ต้องปรับปรุงนะก็ขออนุญาตนําเสนอในใ น, ในเดือนต่อไปนะครับแต่สรุปในวันนี้ที่อยากจะฝากไว้อย่างจริงๆเลยนะครับคือประโยคที่บอกว่าวันนี้ขอให้เรามีเป้าหมายชัดๆนะครับว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่คิดสิ่งที่นึกสิ่งที่เราโพสต์ขอให้ตอบว่าอัลลอฮ์ชอบไหมอัลลอฮ์ชมไหมนะครับและแน่นอนครับใครที่มีความรู้สึกแบบนี้เข้มเข้มเพื่นน้องครับ ความสำเร็จความสุขความดีงามไม่ไม่ไม่เกินเอื้อมมือเขาอย่างแน่นอนอัลกาีฮวสตฟุฮลวลูกุมวะลิซรมุสลิมีนะมิกุนิฟาสตฟิรูอินลกฟูรุรฮมอัสลามุอะลัยกุมวะรมะตุลลอฮวบาะุฮุอาบิสมิลลาฮิราะห์มิมผมมีคำถามที่ต้องถามอาจารย์สินสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเราที่มาเข้ารับ นับถศา ส, สนาอิสลามที่ยังอยู่นี่หลายคนทั้งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่ า, าการทำงานทุกอย่างเรามีเป้าหมายทำงานเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺมาตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องเราที่มาเข้าอิสลามก็มีเป้าหมายว่าเขารักอัลลอฮฺเขารักละซูลเขารักอิสลามเขาก็ามาทางานเพื่ออัลลอฮเขามามารับอิสลามเพื่อ อ, อัลลอ แล้วก็เขามารับอิสลามแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ได้เป็นลามเขาจะต้องรักพี่น้องของเขาไหมที่เขามาเป็นอิสลามแล้วเนี่ยแล้วอันนี้จะตรงกับอัลกรุรอานไหมที่ว่าไอยุกุมอาสนอัมมลาที่ว่าเราจะได้สวรรค์นในดุนยาเนี่ยที่เราทำตรงนี้ตรงไหมแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงาน ที่มาถ่ายทอดลูกศิษย์ผมนะที่มาจากสานิชนกันหลายคนที่มาทำหน้าที่ทุกเดือนครับอันนี้จะเป็นผลงานที่อัลลอฮ์กหนดไหมครับอาจารย์ช่วยสรุปตรงนี้นิดครับบ ismillahirrahmanirrahim ลล ค, ครับครับเนื้อหาสอดคล้องกันเลยนะครับอายะกุรอ่านกล่าวครับ ลียะบรุเวลียะบรุเวลกลุ่มอายุกลุ่มอัสนูอมัานะครับที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาให้มีการเกิดการตายการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้หนึ่งในจุดประสงค์นั้นเพื่อเพื่อทดสอบครับว่าใครการที่อามัณที่เลิ่ที่สุดมดามุฟัสซิซคือนักแปลนักอถาธิบายอกุรอานเขาก็จะบอกเขาจะแปลคําว่าอัสนูอามัลานั้นบอกเขาจะแปลว่าอัคราสูอามัลาใครการที่อิคราสมากที่สุดนะคนที่อิคราสมากที่สุดเขาก็ได้รับความดีจะได้อย่างได้มากที่สุดนะครับ มันคือนั้นใช่เลยนะฮะในสิ่งที่เราทําในสิ่งวันนี้ก็ับมาในประเด็นนะครับที่เราทุกคนหลายคนนะครับที่มีญาติพี่น้องที่ยังไม่รับอิสลามตัวผมเองนะครับผมเองก็มีญาติพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็มีนะฮะมีเขื่อญาติที่ไม่ใช่ er ที่ไม่ใช่เป <im> ็นเป็นอิสลามนะฮะแล้วที่ทำยังไงนะฮะมีคําถามที่บางครั้งนี่มันมันก็ตอบยากนะครับแต่เพ clarify, ียงแค่เราจับประเด็นให้ได้นะครับก็กลับมาสิ่งนี้นะไอ้สิ่งที่เราทํามันตอบอะไรฮะ สิ่งที่เราทํานั้นมันอบลอฮฺรอฮฺลินละใครก็ตามที่โกรธเกลียดเพื่ออัลลอฮฺว่าอัฮับบะลินละจะรักจะคบจะติดต่อก็เพื่ออัลลอฮ์นะฟากริสปลักมาแล้วอีมานุหูใครก็ตามที่มีสิ่งนี้นะครับถือว่าอิหมานเขานั้นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนรักเพื่ออัลลอฮ์จะเกลียดก็เพื่ออัลลอฮ์จะคบเพื่ออัลลอฮ์ไทยคิดเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมฮะอิคลาสอันนี้คืออะไเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เพื่อว่าเขาจะให้ประโยชน์เราเพื่อเรื่องดุลยาม่เกี่ยวเลยแต่เพื่อออลลลเเเาะตดยนร คุณพ่อคุณแม่เราที่ยังไม่ได้รับอิสลามนะฮะเราไปเยี่ยมเขานะครับปฏิบัติเขามันใช่เลยฮนะเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้ว่าเรานั้นจะเป็นจะต้องไปจําเป็นนั้นจะต้องไปปฏิบัติท่านนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําหน้าที่เรานั้นคือปฏิบัติท่านในฐานะที่เราเป็นลูกแต่ในสิ่งที่มันต่างกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้แนะนําเราในสิ่งที่ผิดแบบนี้เราไม่ทํานั่นคือกรอบ ในเรื่องนี้นะครับญาติพี่น้องเราที่ต่างศาสนิกผมไปเยี่ยมนะฮะแต่ไปเยี่ยมผมไม่ได้ไปไปนั้นไปเพื่อที่อยากจะให้เขามีความรู้สึกดีๆกับอิสลามไปนั้นอยากจะไปพูดในเชิงมีหนังสือมีอะไรก็อยากจะไปแนะนําให้เขาไ ด, ไ, ดได้รับอิสลามแม้จะเป็นในสิ่งที่การแนะนําก็เป็นในขั้นตอนนะครับระดับอ่อนๆไปก็อยากจะไปแต่จุดประสงค์ที่ไปนั้นไปไปเพื่อ ฉายภาพดีๆอิสลามให้เขาเห็นว่าอิสลามมันไม่ใช่เป็นการตัดนะแต่สิ่งไม่ใช่เป็นการตัดพี่ตัดน้องไม่ใช่นะแต่เราไปไปนั้นเพื่ออัลลอฮ์สั่งให้เราไปไปเพื่อดะวะเนียดหลักอยู่นี่นะฮะไปเพื่อไปดะวะไปเชิญชวนเขาอันนี้ใช่เลยฮะอันนั้นคือไปไปสร้างภาพไม่ใช่เป็นการสร า, าพไปทาในสิ่งที่ดีที่อิสลามสอนเรานะครับ นั่นคืออิสลามนั่นคืออิสลามที่แท้จริงแล้วก็มาในประเด็นสุดท้ายครับที่ผมบอกแล้วนะครับว่าอายะคุรานกล่าวนะครับอุวาบัตเตอร์กีสีมาอาตากราฮุดดาระอักเคระจงแสวงหาอักเครอโดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่เราให้กับท่านมาในโลกดุนยานี้อาจารย์สันทัดด้านหนึ่งผมสันทัศดด้านหนึ่งไม่มีใครครับที่เก่งร้อยเก่งทุกรอบด้านไม่มีใครครับทุกคนนั้นมีความเก่งและไม่เก่งหลายๆด้านนั้นเอาเอาความเก่งในแต่ละคนที่มาอยู่นั้นท่ามาประสานกัน สิ่งดีๆเกิดขึ้นวันนี้ผมบรรยายวันนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ทํางานไอทีไม่ได้คุณฮาซันคุณมอมัดมาเติมเต็มนะครับอาจารย์ก็เป็นคนจัดเติมเต็มให้งานวันนี้เกิดขึ้นอาศัยหลายๆคนนะฮะนั้นผลบุญผมได้ร้อยทุกคนได้ร้อยนะฮะที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับนั้นเราจึางเห็นภาพชัดแล้ว่าความเมตตาของลัทธิสุภาราตตาที่ให้กับเรามานั้นมันล้นเหลือพี่น้องครับเราสามารถที่จะตอบโจทย์เอาล้อได้โดยอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่นะครับขออย่างเดียวครับ คืออะไรฮะชัดๆนะครับว่าสิ่งที่ทําเพื่อ Allah ต้องการแสวงหาความโปรดปรานจาก Allah ต้องการสวรรค์ครับโดยอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่ทักษะความเก่งที่เรามีอยู่นั่นแรกครับผมเคยเจอกับผู้พิพากษาเจอกับทนายที่เขามีแนวคิดแบบนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าเ a l ให้เกียรติให้ตําแหน่งเขาเขาอยากจะรับใช้อิสลามผมบอกนั้นใช่เลยฮะใช่เลยยะใช่เป็นการยนเป็นการทําตามอยะเบื้องต้นที่ผมได้กล่าวเลยนะครับว่าเกียรติตําแหน่งที่มีอยู่นั้นมันตอบโจทย์เราเพื่อ Allah หรอทาไมไม่ไม่ดึงมาแล้วครับ ยาวนิดหนึ่งขออนุญาตต่อยนิดเนี่ยผมทีผมผมรู้สึกอิจฉาแล้วก็เสียดายนะครับอิจฉาคนที่ได้รับตําแหน่งเป็นผู้นํานะฮะที่อิจฉาเนี่ยไม่ใช่ว่าอิจฉาเพราะเขาได้นะครับแต่อิจฉาว่าเขามีโอกาสที่จะที่จะอะไรฮะที่จะส่งเสริมอิสลามเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแบบนี้นะฮะเป็นกรรมการกลางแบบนี้ง่ายๆนะเขาเป็นองค์กรที่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับสังคมในภาพรวมเลยฮะมันครบถ้วนเลยฮะเพียงแค่มีจิตวิญญาณอยากที่จะทํานะฮะ โอกาสที่จะทำโอ้โหเขาทำได้เยอะเลยแล้วก็ทํานั้นเขาทำเพื่อแสวงหาความปรจากออลนั่นนั้นผมอิจฉาว่าคนเหล่านี้ก็มีโอกาสนะครับโอกาสที่จะทําแล้วก็เราเขาฝากนะครับว่าว่าคุณมีโอกาสนะคนคนที่ออลสุภาลดาเลือกคุณมานะวันนี้ที่คุณเหนื่อยกันมาเนีเพื่อแสวงหาตําแหน่งอันนี้เพียงแค่ตอบโจทย์เอาตําแหน่งที่คุณได้มานั้นตอบโจทย์ว่าผู้แสวงหาความปลอดจากออลโอ้โหมันเป็นสุดยอดเลยนั้นทุน แรงที่คุณลงไปในการแย่งชิงตําแหน่งนั้นมานั้นโอ้โหมันจะตอบแทนคุณได้มากเลยเพียงแค่คุณทําเพื่อเอาลานะฮะเพื่อเราใช้อาศัยสิ่งที่มีอยู่นั้นแสวงความปลเปืนจากเรามันเป็นความความปนเปื้นทั้งดุนยาและอาเกล้อเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นเป็นนสิททั่วๆไปนะฮะอ่าแต่นี้อาจารย์ตกลงว่าอาจารย์ที่ว่ามาทั้งหมดและเขาไปดูแลพี่น้องพ่อแม่เขาเพื่อให้เขารู้ว่าอิสลามสอนอะไรในสิ่ ง, งที่ดี อันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลิศไหมใช่เลยครับนั่นใช่เลยฮะนันใช่เลยนั่นคือบางทีเราจะคิดกันตรงข้ามว่าโอ้มันเป็นมุสลิมมาเป็นแขกแล้วไม่ได้แล้วไปไม่ได้ไม่ใช่นะฮะนั่นคือสิ่งที่ที่ที่ที่อิสลามสอนไว้มันคนละอย่างเลยนะฮะนั้นต้องยึดแบบนี้เลยฮะหลักการที่เราวังเอาไว้นะครับถือเป็นผลงานที่ดีเลิศเหมือนกันนะครับใช่ใช่ใ <ฮะ S 2> ที่ร้อง บ, บอกว่าอายุกุมอัสโนอัมมาลาใช่ไหมครับผลงานดีเลิศและอันนี้เราจะเน็ตเป็นสละก้อด้วยได้ไหมเพราะเขา ว่าไปทําดีกับพ่อแม่เพราะการทําความดีนั้นเป็นผลสะะกอที่นบีบอกว่าคุณหลวมะรูเฟนสะละกตนครับสะะกอนีฮะถ้าเป็นสะละกอที่เป็นวัตถุเป็นเป็นบัณฑิยะเป็นมาลียะนะครับเป็นมาลียะเป็นทรัพย์ที่ที่ที่เป็นทรัพย์ธรรมลียะคือเป็นทรัพย์เป็นเงินนะฮะโอเคแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นบดณฑิยะสิ่งที่เราทําเช่นละหมาดแทนย่อได้ไหมเนี่ยเสียไปแล้วนะฮะสกาดแทน อากาศแล้วก็บวชนะบวชแทนได้ไหมซึ่งประเด็นนี้นะในภาพรวมนั้นบรรดานักปราชญ์ก็จะมีการเคลียบกันคําว่าเคลียบคือเห็นต่างกันได้ไม่ได้อะอันนี้ผมคิดว่าไม่อยากจะนําประเด็นนี้นําเสนอเนีฮะเพราะว่าไม่ไม่เคยสร้างสรรค์เท่าไหร่ในประเด็นนี้นะครับแต่ว่ามันมีมีช่องทางในเรื่องนี้นะครับเอาว่าในประเด็นในความดีอื่นที่ไม่ใช่เป็นรัพย์อันนี้เป็นประเด็นที่อื่นที่ที่ที่ที่บรรดานักปราชญ์เห็นต่างกันนะครับครับไม่มีใครมีคําถามอะไรนะ ก็ต้องงว่าเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนพฤษภาเนะครับวันเสาร์วันเสาร์วันที่สองไม่ใช่เสาร์ที่สองนะอ่าวันเสาร์วันที่สองเสาร์ต้นเดือนเลยฮะเสาร์วันที่สองพฤษภาคมนะครับเวลาสิบโมงเหมือนกันนะครับต้องขอร้องให้พวกเรามาร่วมกันตรงนี้อีกนะครับฮัจยีรีนะฮัจยีรีแล้วก็ฮัจีอัลีที่ ที่ว่าอยู่ภูเก็ตอันนี้ต้องมาร่วมกันทุกคนนะครับแล้วก็บอกพี่น้องเราให้มาร่วมกันวันนี้วันนี้ก็จบตรงเพียงแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ดูอาหน่อยครับสุภาในกัรหลอกอันน้าครับครับแล้วก่อนก่อนจะปิดก็ขอเ น, นี่ยฝากไปที่ศูนย์ด้วยนะครับวันนี้จะมีศูนย์ที่ติดตามมาอยู่ว่ามีเพื่อนที่ศูนย์ตามศูนย์เนี่ยตอนนี้นสิบกว่านะฮะสิบกว่าศูนย์แล้วนะครับ ก็ขอเขอฝากไว้นะครับว่าตามศูนย์นะครับก็ตอนนี้งานศูนย์เรา๋ยจะเริ่มเริ่มเข้มเข้มนะฮะเพื่อให้ผักดันะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เนะี่ยตอนนี้การถ่ายทอดก็มีไปตามศูนย์เนะช่นเดียวกันไม่ใช่เพาะอยู่ที่นี่นะครับมีตามศูนย์นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปคือวันที่วันเสาร์ที่ที่ส พัสดพาอ่านะครับดดก็ฝากไปตามหัวหน้าศูนย์ด้วยนะครับว่ายัางไงช่วยจัดการนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับเพื่อเราจะได้มาร่วมกันครับในหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งครัง้งอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นไฟบังคับแต่ส่วนแล้ในศูนย์ที่อยู่นะคุณก็มีเรามีกิจกรรมที่จะทําได้หลากหลายนะครับเสาร์อาทิตย์ยังไง ทำได้ตลอดนะครับโอเพ่นนะครับไม่มีปัญหาไม่ใช่หมายความว่าเดือนหนึ่งค่ครั้งเดียวมันไ ม, ไม่ใช่นะครับนั่นขออนุญาตทำความเข้าใจครับนั่นคือสิ่งดีๆที่เราได้รับในวันนี้ขอบลอสสุภาณุตาลครับแล้วก็สุดท้ายการอบรมการแนะนากันในวันนี้อ่ากล่าวให้เราอานซูรตุลซูรตุลนัส n a s b a h a a n a h kah, kah, kah, suruh izahja, kah. Bismillahirrahmanirrahim, izahja. Nusulallahulfattah, waraitan nasyidulkhulufi ini lai afwaja. Fasabih bihamdillahi wasallam. Fur inna ukuntu kana tabwabah. Subhanakalauhu ma wa bihamdik. a s h h a